อาจารย์ครับก่อนวัตกรรมครับผมอ่จารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมทูกฝั่งทุกท่านครับพอาจารย์ครับวันนี้รายการเราครั้งที่เจ็ดสิบเจ็ดแล้วครับพอาจารย์ครับผมกับพี่บอยร่วมกันตั้งชื่ อ, อเป็นชื่อราคะโทสะโมหะแต่มีเพื่อนเพื่อนถามไม่ใช่โลภะโทสะโมหะเหรอทําทําราคะโทสะโมหะโลภานี้ วันนี้ขอความกระจ่างพระอาจารย์ครับแล้วก็ขอวิธีการอาวิธีการกําจัดออกจากใจด้วยครับอาจารย์ครับขอความเมตตาครับผมคือมันต้องราคาโาะโทสะโลภะราคะกับโลภะนี่ก็ใช้แทงกันได้ โ, <อ>โลคโลกรธหลงหรือนะราคะก็ความความค่ายความอยากความค่าราคาโาะโทสะโลภะ อาจจะใช้ต่างกรณีกันราคาอาจจะพูดถึงเรื่องกางเป็นส่วนใหญ่บการมราคาแต่ถ้าพูดถึงความโลภทั่วไปก็มบ้างจะพูดโลภะโลภอยากได้เงินได้ทองได้การทกสารเสแสร้งในทำนองนี้เขาใช้คาว่าโลภะแต่เมื่อมันก็มาแทนตัณหาคำอีกคํานึ่งก็เหมือนกันก็คือตัณหาความอยากเหมือนกันครับผมที่ตั้งความอยากก็ เว้าพูดก็ต้องบอกบอกว่าอยากอะไรอยากในการก็การมัันหาอยากมีก็ภาวะฐานาอยากไม่มีก็วิบลวัฒนาแต่มันก็ตัวเดียวกันนะถว่าอาจจะใช้ในต่าง ก, กรณีกันบ้างตามตามตามความเหมาะสมของภาษาก็แล้วกันครั บ, รบนะทั้งหมดนี้ก็คือควาจริงจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่โมหะนะโมหะเป็นตัว เริ่มต้นทำให้เกิดราคะเกิดให้เกิโดโมพะแล้วพอไม่ได้ก็เกิดโทสะตามมาเห็นเริ่มที่โมหะต้องแก้ตัวโมหะโมหะก็คือเอาวิชาความไม่รู้ <c oughs> ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อะเห็นกลับตาละปัดโมโมหะก็คือเห็นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุข ขอยกนี้เห็นเห็นทุกข์ก็เป็นสุขสบายมุกเห็นว่ามีบ่อนเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นไ้มมีสร้างเต็มบ้านเต็มเมืองอันนี้ก็เป็นเพราะอวิชชาเนือโมหะความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจะเป็นดอกเบเห็นทุกข์ก็เป็นสุขเอาไหมเพราะว่ามันมันมันสุขมาก่อนทุกข์ในพวกนี้ เนลาไปเสกไปเล่นการพนันไปอะไรมันสุขมันเพลินมันแต่พอมันหมดมันทุกข์แล้วแล้วมันมันมีข่าวข่าวมานเงินนหมดก็ไปป้นไปจี้เพื่อที่จะเอาเงินมามาเล่นมาเสกต่อเนีคือการเกิดจากเกิดจากโมหะความหลงผิดเป็นชอบเห็นอาบายมุกว่าเป็นเป็นทางขึ้นสวรรค์ คามจริงาอบายมุกเนี่ยมันทางลงอบายประตูประตูสูอบายอบายมุกมัก็บอกนะมุกก็แปลว่าประตูรทางเข้าทางออกมุกก็อบายัมุกใครไปเสร็จอบายมุกเดี๋ยวก็ต้องไปทําบาปกันเงินหมดเดินขับรถเสร็จเดินชัลลานล้วเมาก็ขับรถชนมันตายเดินไปมีิถุนรพิวาสไป ไปค่าทานกันคนเวลาจะทําบาปมันจะต้องเดึกดสลายเพื่อย้อมใจมให้สติมันไม่ค่อยมีมันจะได้ใน่องความสําเร็จผิดถูกดีเชื่อมันก็เลยกล้าทําบาปนัเดือดสลาแล้วมันเป็นล็อกหีรีโอตตาปะออกจากใจความกลัวความอายละอายในการในการการทำบาปมันก็เลยกลายเป็น คนที่ก้าทำบาปใช่ไหเวลาเมาสุราหรือมายาบ้าหรือมายาเสกติดต่างๆ่งพวกยาเสพติดนี้ก็เป็นนะเป็นอับายยังงี้ถือว่าเป็นเป็นทุกข์เป็ น, ก, ป น, ปนกงจักรไม่ใช่ดอกบัวแอาเสศชอบเสพกันเลยก็คนทุกระดับเลยนะโดยเฉพาะพวกศิลปินศิละปะพวกดาราต้องแสดงอะไรท่งางหลายนี่ถือว่า เขาอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเครื่องให้ความสุขของเขาแล้วก็ตายกันเป็นเป็นเบื่อเสพยาเกินขนาดตายกันอะไรมีมีเรื่องราวให้ให้ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เพราะความหลงหลงก็คือไม่มีคนสอนคนสอนหรือสั่งก็สอน ก, ก็ไม่เชื่อมันมันโมหะมันหนานแทกระทั่ง คำสั่งคำสอนของผู้รู้เข้าไปถึงมันหนามากคือก่เห็หนามากโมหะมันหนามากแสงสว่างแห่งธรรมไม่สามารถเข้าถึงใจิตใจของผู้นี้ได้ให้เห็นให้เห็นหเห็นอะไรเป็นคุณหเห็นอะไรเป็นโทษมองไมเห็นกันก็เลยเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าการเสสระบายอารงนี้คือวิธีหาภวามสุขกันเล่าเรื่องทุกวันนี้ อะไรมุกเป็นเครื่องเสพความสุขเครื่องมัวใช่ไหม<ช>ส่วนใหญ่โซราอย่าเงาในนี้้สก็จะเป็นเรื่องปกติของท่านตะวันตกแล้วคนที่กินเหล้าไม่เป็นนี่เทว่าไม่ใช่คนตะวันตกนะคนตะวันตกนี่ตั้งแต่อายุไม่มากก็เล่าอยา ก, กินเหล้าแลนะ้วนะพอโตขึ้นมาหน่อยน้านก็น่าไปกินเหล้าแลนะ้วแล้วก็ เ, เสพยาเสพติดคัญชา ย, ยาฝิ่นยาอะไรต่าง ยาอีอยาอะไรแล้วไปเที่ยวบาเที่ยวผักขึ้นอันนี้ก็คือสังคมของผู้ที่มีโมหะความลงแล้วก็ไปทำให้เกิดความโลภอยากจะหาควับสุขอากอาใมุกต่างๆในเวลาที่ไม่ได้ก็เกิดโทสะขึ้นมา <c oughs> ก็จะมีเหตุให้ต้องไปทำร้ายผู้อื่น คนติดคนติยาบ้าพออยากจะทำอะไรไม่ได้ถูกใจมีคนมาห้ามไปไรทำร้ายผู้ที่เข้ามาห้ามตัวสาตามมาถ้าถ้ามีถ้ามีปัญญาหรือมีธรรมะมีวิชาเห็นผิดถูกดีชั่วอะไรอะไรอะไรเป็นทุกอะไรเป็นสุขก็ต้องได้จากการศึกษาธรรมะคำสันคำสอนเพื่อของพระทธเจ้า พระเจ้าสอนว่าอบายามุกเป็นทุกข์อยากไปเสนกถ้าเราศึกษาธรรมะเราก็จะหลีกเนี่ยงเมืม่อหลีกเลี่ยงเราก็จะปลอดภัยเราก็จะไม่ค่อยเกิดโทสะเพราะเราไม่ได้ไปอยากไปเสกแล้วไม่มีใครมาคอยห้ามมาขัดใจเราอันนี้พูดเป็นตัวอย่างแต่มันก็เป็นรวมถึงเรื่องอื่นที่อาจจะทางสังคมก็ยังถือว่า พอที่จะรับหน้ที่ทำความอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากร่ำรอยอนะไรนี่มันก็เป็นโมหะเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่เป็นความสุขค น, คนมีเงินเยอะๆที่อยากไปคิดว่าเปความสุขอาจจะสุขทางกายสนุกสุขสะดวกทางกายฐานรากปัจจัยสี่มีของใช้ไหมซอยอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ใจนี้มันเคลื่อนน่ะ มันจะมีความเครียดมากเพราะมันก็ต้องคอยดูแลทรัพสมบัติคอยดูแลการการหาทรัพย์สมบัติต่างเพราะเงินจะต้องไหลมาอยู่เรื่อยเพราะว่าใช้เงินมากมมเลยก็มีเงินมากก็ใช้ ม, มากเมือใช้มากก็ต้องคอยหามาเพิ่มใจมันก็เลยเครียดอยู่กับการห า, หาเงินหาทองถึงแม้ได้ซื้อของมาก็ดีใจเดียวเดียวแล้วพอหลังจากนั้นมันก็ ควาเครียดเรื่องของของเงนการหาเงินหาทองก็เข้ามาอยู่ในบ้านราคาเป็นร้อยล้านแต่นอนไม่หลับก็มีต้องกินยานอนหลับอสู้ขอทานอยู่ใต้สะพานไม่ได้รับครอบรีไม่มีไม่มีอะไรจะทุกข์ถ้ามีแร้มันทุกข์ต้องคอยห่ว ง, ค อ, วงคอยดูแลแต่ไม่มีแล้วนี่แหละมันสบาย พระเจ้าทรงสอนให้พระอยู่แบบขอทานอยู่แบบมากน้อยสันโดษอยู่ตามคนไม้ก็เหมือนอยู่ตามใต้สะพานเนี่ยนะสมัยอุทธเจ้านี่ไม่มีกุฏิไม่มีวัดนะพระเจ้าตัดสินุที่ไหนใต้คนใต้ต้นไม้ะคนต้นโพยนะั่นแหะที่อยู่ของพระเจ้าที่นั้นที่นั่งที่นอนของพระเจ้าก็อยู่คนไม้คนะต้นโพยนะก็อยู่แบบมากน้อยอาหารก็วันละมือ้อ ตุดองาวัดบินตะบาทฉันง่ายๆไม่ต้องมีถ้วยมีจาม น, นมีชามฉันไม่ในบาทสมบัติมีแค่แปดชิ้นหน้าสมบัติของของพระอาหารของของผู้ที่ประเสริฐแทนที่จะรล่ำรวยได้ทับสมบัติกับยากจนมีแค่แปดชิ้นมีบาทไบหนึ่งมีผ้าสามผืนมีที่รัดเอวแล้วก็มีเข็มก็ได้ไว้ซ่อมเวลา จีวขาดแล้วก็มีบีบกรว้สำหรับปลงผมปองปลงหนวแล้วก็มีที่กรองงานเพราะสมัยก่อนต้งตักน้ำเ อ, อำาจากลาธารซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์มีสัตว์น้าอยู่ก็เอาที่กลองตักขึ้นมามันก็จะอาแต่น้ำขึ้นมาไม่เอาไม่เอาสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมานี่แหละคือสมบัติของพระอริยบุคคลสมัยพุทธการช่วงแากๆไม่มีใคร ไม่มีวัด น, นะต่อมาเมื่อศาสนามีความเจริญมีคนรู้จักเยอะมีคนศรัทธามีเศรษฐีมีพระราชาหมากระสับมีศรัทธาในตัวพระเจ้าสงสารพระเจ้าว่าไม่มีที่หัวัยก็เลยสร้างวัดถวายให้ท่านประทับอยู่แต่แต่ท่านเหล่านั้นท่านไม่สนใจเรื่องเรื่องเรื่องเรื่อ ง, องถ้าววรวัตรต่างๆท่านอยู่ท่านเป็นพระป่าท่านอยู่ตาม ตามป่าตามเขาทัางก็มักจะหาคนม้หาถา้ำหาเนื้อผาหาเรือนน้างอะไรที่อยู่ได้ก็อยู่ไปตามมิติเกิดแต่ใจมันสบายไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาหวม่วงเรื่องทรัพย์สมบัติบินดาบาก็ยินดีตามมีตามเกิดเขาใส่อะไรมาให้ก็กินไปมอดับความหิวได้ไปวันวันหนึ่งก็พอนี่นะคือคื อ, ค, อความไม่หลง ในเรื่องปัจจัยสี่ผู้ยากโยมนี่หลงเรื่ปัจจัยสี่นะโอ้ยซื้อคอนโดกี่หลังดีซื้อบ้านกี่หลังดีมีสระบายน้ํามีอะไรโอ้ยมีมีไปแล้วต้องดูแลบ้างมีสระบายน้ําต้องดูแลบ้างต้องคอยเปลี่ยนน้ํา้างต้องคอยตัดใบไม้ไมออกอ บ, บ้ากเวลามันเพราะว่ามันมีแต่ภาระให้น้องทำทําเองไม่ไมหวก็ต้องจ้างคนมาทำให้ก็ต้องใช้เงินอีกก็ต้องเครียดกับการหางเงินใหม่ แล้วบ้านบังทีไม่ได้นอนไม่ได้อยู่วันวันหนึ่งออกไปข้างนอกไปหาเงินกันอ่งมากกลับมาตอนเย็นมานอนอางทีก็นอนไม่หลับเครียดทบงานการที่ทำใหม่อันนี่แหละคือความหลงแทนที่จะให้เราอยู่อย่างมีความสุขกับต้องมาทุกกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะม่ามีแล้วเราก็ต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็ ถ้าเกิดอยู่ในสภาพที่เศรษฐกิจตกตามรายได้ขาดแคลอาจจะต้องขายทรัพย์ใหม่ก็ไม่รับต้องขายก็เสียใจเสียดายลดแต่หาความทุกข์เรยรู้สึกตัวที่ว่าหาความสุขให้กับตัวเองหาความสุขให้กับร่างกายเยอมรับปัจจัยสิ่งนี้สำหรับร่างกายอาหารอย่างดีเครื่องเสื้อผ้าเครื่องเงื่อนขออย่างดีอะไรดีหมดแต่ใจนี่เครียด ใจต้องแบบอาระของการหาเงินหาทองมาเพื่อเพื่อซื้อของเหล่านี้มาให้ร่างกายใช้ใได้ไหไมได้แต่ความเครียดนอนก็นอนไม่นนหลับบงที่กินอาหารก็กินแม่กินไม่ลงอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าปัญหาเกิดจากโมหะเหตุที่มีโมหะกันก็เพราะไม่เอาไม่เข้าหาผู้รู้ไม่เข้าห า, า, าศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่รู้ความจริงทั้งหมดนะแต่ต้องเข้าหาเพรา ะ, า พ, ร ะ, พ, พ, ระาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ไม่มาสอนเราไม่มาบังคับให้เราออศึกษาก็ อ, อยู่ที่ศรัทธาถ้าเราอยากจะศึกษาเราเข้าไปสมัครเรียนได้ก็เหมือนมาหาลาัยตา่างๆเขาก็ไม่มาบังคับเราใช่ไหมมาให้เป็นเรียนก็ อ, อยู่ที่เราว่าเรามีศรัทธาที่อยากจะ อยากจะเรียนอยากจะได้ความรู้หรือป่าถ้าอยากจะได้แล้วก็ไปสมัครอันนี้ก็เมืกันกาทางศาสนาพุทธก็ไม่ไม่เกณฑ์คนมามาเรียนะไม่บังคับปล่อยให้เป็นศรัทธาแต่คนไม่รู้ว่ามาความรู้ของพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่สูงสุดนในบรรดาศาสน า, าในความรู้ทั้งปวกที่มีอยู่ในโลกเนีเ้ยไม่มีอะไรที่จะสําคัญเท่ากับพุทธศาสตร์ มันมีเป็นวิชาเดียวในโลกนี้ที่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้วิชาอื่นนี้กลับมาเป็นเครื่องเครื่องเสริมสร้างความทุกข์พอได้วิชามาก็ต้องไปทำมาหากิจ ก, ก, ก็ทุกข์กับการมาทำมาหากินทุกข์แล้วก็ทุกข์กับทรัพย์ส ม, มัติที่ได้มาต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็มีแต่เรื่องความทุกข์เท้งนั้น วิชาคามรู้ต่าง ๆ, ๆที่เรียนมานี่เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความทุกข์ให้ในใจให้เราเกิดขึ้นมากตอนที่คุณหมอ ย, ยังไม่ได้เรียนหมอตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่คุณหมอทุกหน่วยกับตาเลยไหมทุกคนละยอย่างครับอไมรย์ทุกน้อยทุกแค่าหาไม่มีขนมกินไม่ได้ไม่ได้เล่นนั่นเองใช่แต่ต น, นี้รู้ทุกเก่ยับเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับน่าจนะ มันเป็นเด็กมันไม่ค่อยรู้เรื่องอเวลามันอะไรความรู้ของเราไม่ค่อยเกิดอะไรเพราะมันศักยภาพมันยังไม่มียังไม่สามารถหาอะไรต่างๆที่ตัวเองต้องการได้มันก็เลยไม่ค่อยมันก็อยากในสิ่งที่มันพอจะหาได้อยากเล่นอยากดูหนังอยากเล่นเกมอะไรอย่างนี้บางทีก็โกรธพ่อแม่เวลาพ่อแม่ไม่ไหให้อยู่อยากแต่ไม่ได้ทำก็โกรธเสียใจร้งไห้ ทานี้ท้งนั้นมาเกิดจากโมหะทางนั้นถ้ามีปัญญาก็บอกว่าอไม่มีความสุขที่ไหนแร้วที่แท้จริความสุขที่ไม่มีทุกข์ก็คือความสงบที่อยู่ในใจของเรานี่แหละ ใ, ใครที่มีเคยเคยมีประสบการณ์จากชาติก่อนก็มักจะเป็นคนเมื่อสั ม, มถามิฏฐ์น้อยสัน่นเดียวจะไม่ค่อยสวางหาอาดสกกาละลาบยศสังเสริญเท่าไรจะเป็นคนที่เขามีความสุขในตัวเขาเ ไมอยู่แบบเรียบง่ายไดไ้ไม่ต้องมีของหรูหราไม่ต้องมีของฟุ่มเฟือยใช่ก็อยู่ตามมีตามเกิดได้อยู่แบบรักน้อยสันโดษได้เพราใจของเรามีความสมุนะครับคบันนี้ก็พูดคร่าวๆครับถ้าคุณหมอใหญ่ถ้าทํามอะไรเพิ่มเติมก็เฉยครับเพราะกานครับอย่างนั้นถ้าเราจะลดกิเลสสามตัวนี้ลงแล้วก็ไปมุ่งที่โมหะศึกษาธรรมะให้มาก ครับผมแล้วก็หาผู้รู้แล้วทีนี้ถ้าถ้าปฏิบัติคือเราจะลดโมหานี่ก็คือเราจะต้องทํำยังไงอะครับก <mm ็ทําตามผู้ผูู้ Yun ้สอนนะไปอยู่วัดก็เราไปอยู่วัดวัดป่าเลยแล้วก็อใช้เราอยู่แบบสมถะนะรูปเสียงรูปเสียงกินแล้วก็ไมาให้ดูอะไรนะครับเพราะของพวกนี้มันเป็นพิษเป็นไภัยนะไปอยู่วัดป่าเลยที่บอกว่าไปอยู่บนเขามีอะไรบ้างอะน อยู่แบบผู้รู้อยู่แบบนั้นนะผู้รู้อยู่แบบนั้นท่องเท่าเจ้าอยู่แบบนั้นพระอรหันอยู่แบบนั้นหลวงปู่แม่ท่านอยู่แบบนั้นหลวงตามหาบุญอยู่แบบนั้นครับหลวงตามหาบุญเวลาท่านไปบนเขาท่านมากจะพูดบนเขานี้สัปายะนีนะสงบดีที่ที่บ้านตัดมีผูกบ่า หมายถึงท่านหลวงตาพูดถึงที่ท่านตาหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ที่เขาเชื่อไหมล่ะท่านมาเยี่ยมเราโอ้โหที่ันเขานี่ดีกัที่สงบดีสมเหมาะกับการพักนะอาจารย์ครับหลวงตาเคยนอนที่ศาลาหลักน้อยครั้งคืนหนึ่งท่านเคยมาคืนหนึ่งมาแบบตอนมาบาไม่ได้บอกล่วงหนานห้มาตอนบ่ายแล้วท่านก็บอกว่า ท่านต้องการอหาที่สงบเงียบเพราท่านมาเวลาท่านมามาท่านนี้บางทีท่านในโลกสิหาะติดตามมาด้วยทท่านหลอกช่วงนั้นท่านเป็นโรคหัวใจท่านต้องการรักษาโรคหัวใจด้วยความสงบท่านก็เลยที่ท่านอยู่นั้นมันไม่ไม่ค่อยสงบมันอยู่ใกล้เมืองการพัทยาท่านก็เลยให้คนขับาพาขับมาส่ง ท่าก็บอกว่าจะพาคนสารานี่แหละท่านมาถึงวิชีตรงสารานี้ oh. ไม่ต้องไปจัดกฎติอะไรให้ส า, oh. ารามาที่คุณหมอเห็นนี่นะครับ oh. พระ ก, ก็เลยไปรีบบริการเจ้ไปหาหาเสือหา ห, หามอหามูบการถอยท่านอยู่นะท่านก็บอกพรุนนีะ้ท่านไม่ันนะท่านไม่ทำาป็นท่านจะไม่เป็นนต์า บ, บ้านท่าน oh. จะให้อะไรให้ท่านเสร็จท่านก็ให้ให้เราแยกยาก้ยา ก, กันไปท่านก็อยู่ภาวนาของท่านไป แล้วตอนนั้นกุฎพาะเจ้าก็อยู่ตรงที่นั้นเลยใช่ไหมครับอยู่ใกล้กันก็อยู่ที่ทอยู่ที่ใกล้ทางทางที่จอดรถถึงต้นโตนะครับเรบาก็ไปอยู่ที่ปฏิ เ, เราวนะจาไอไ ม, ไม่ไม่น่าจะว่าตอนนั้นเราขึ้นมาอยู่บนเขาแล้วยังยังไม่ขึ้นมาตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นมาประเดีเป็นช่วงที่เรามาอยู่วัฏยาใหม่ช่วงพรรษาแรกของพรรษาแรกนี้เรายังพําอยู่ข้างล่างยังไม่ได้ขึ้นไปบนเขา ในเวลาท่านมาท่านท่านก็มาพบเราที่ข้างล่างแล้วท่านบอกท่านต้องการที่จะไปพัก บ, บุญเขาก็เลยพาท่านขึ้นไป พ, พระอาจารย์ครับแล้วหลวงตาที่มาวัดยานก็คือมาหาพระอาจารย์ใช่ไหมครับคือพระองค์อื่นท่านก็ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงตาใช่ไหมครับไม่มีใครท่านรู้จักเราองค์เดียวบางทีบางทีเขาไม่ไม่เคยไปไปอยู่กับท่านครับผม เหมือนท่านคอยคอยติดตามดูว่าเราอยู่ที่ไหนคอยมาตรวจดูว่าเราทําอะไรอยอู่อาจารย์โดนตรวจด้วยนะเหมือนทําเป็นแฟนชายน ะ, ะเปานแฟนชายแล้วเจ้าของแฟนชายก็ต้องมาตรวจคุณภาพอยู่อย่างถ้าเปิดร้านเซเว่นเจ้าของบริษัทเซเว่นเขาก็ต้องมาคอยดูว่าเราทําตามที่เซเว่นเขามีกฎมีระเบียบให้ทํารืเปล่า เคยอยู่บ้านตากเคยทำยังไงออกมาจากบ้านตากยังทำอย่างนั้นเหมือนเดิมหรือเปล่าเนื้อกายพันไปแล้วสแสดงว่าสาราหลังนั้นน่สร้างนานแล้วเหรอครับชายางหลังนั้นสร้างมาตั้งแต่ยุคบกบวยประาณลย ป, ประมาณช่วงปีสองหกมั้งปาปีสองหกถ้าไม่จำไม่ถึงครับแล้วตอนต้นก็สร้างแต่ใช้หลังคาไม่ได้ใช้มุงด้วยสังวาสี อะไรมง่นี้ครับหมู่นี้อะแต่ก็เป็นเป็นเป็นเป็นสารานุกรมกลางคืนเสานี่เหมือนกันเสาผ้าท่านก็อาศัยต้นไม้บนเขานั่นแหละตัดต้นไม้บามา้าเป็นเสาสังเกตุนะมันจะเป็นเสาแบบรับต้นไม้งอเย็นเย็นงองอไปอย่างเงี้ยแต่ไม้นี่เป็นไม้เก่าที่มีศรัทธายาอยู่ท่านหนึ่งได้ถวายให้กับสมเด็จพระยาสังวร ที่วแล้วท่านก็สั่งให้เอามาให้เอามาไว้ที่วัดอย่างคือต้องการจะใช้วันนี้ท่นนั้นมีผ้าจา์จากวัดถรำรของเพลงนันุูกสิษของผู่ขาวสมเด็จท่านได้นิมอนให้มาเป็นผู้ช่วย อ, อบรมสั่าางสอนนับเงาพระให้ให้รู้จักแนวทางปฏิบัติของพระป่าตอนต้นท่านก็อยู่่างางแต่ท่านรู้สึกว่ามันไม่สบายะ ท่านเห็นเขาเชี่ยวเน้สั ป, ปะยะกว่าก็เลยขออนุญาตสําเร็จว่าจะขอขึ้นไปพัฒนาทํากุฏิทํากระท่อมแล้วก็ทาาําศาลาได้ด้วยดยวีท่านก็มีศรัทธาญาติโยมบ้านเมืองเนี่ยที่เขาศรัทธาในตัวท่านมากมาช่วยกันแบกไม้เพราะตอนนั้นยังไม่มีถนดตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาาทําต่าอสร้างเขื่อนพอดีหลังเก็บน้ำ<ะ>ยังยังยังสร้างไม่เสร็จ ย่านโยมน้ำขนแบกไม้ขึ้นมาด้นานหาตามตามทางป่าแล้วก็ขึ้นมาทําศาลาหลังนั้นแล้วก็ศาลาหลนี้ถือว่าเป็นมงคลเพราะว่ามีบุคคลสําคัญอยู่สามรูปได้ขึ้นไ ป, ข, นไปขึ้นไปพัดไปไปพัดชั่วคราวก็มีในาหลวงราชการที่เก้าก็อาจจะเป็นต้นปีหกสองเจ็ดถ้าไม่ผิดจะไม่ผิดเนี่ย ตอนนั้นเสร้างสารามเสร็จไปได้ไม่นานก็เป็นหลวงทางเข้าไปตรวจโครงการพระราดารรมเนยร์วท่านมาร่วมกับสมเด็จพระญาสร้างวัดญาณทรงมีพระราดธรรเนยให้ทําโครงการต่างๆช่วยชาวบ้านทําโครงการป่าไม้ทําการชนระทานทาโครงการสร้างโรงพยาบาลมีเกษตรอะไรต่างๆ สาทิสใจหนึ่งตามหลายอย่างด้วยกันแล้วก็ให้สร้างอ่างเก็บน้ําที่เาเชียวแล้วก็พอก็สองดันเสด็จขึ้นไประทับไปพอดีตอนนั้นพระอาจารย์ที่ไปบุกเบิได้ไปสร้างกระต้อให้สำเด็จพย า, ยานพักปฏิบัติทําด้วยเวลาสำเร็จพยานได้มาดูงานที่วัดยาท่านก็นจะไม่พักกลางวันกลางคืนให้นก็จะขึ้นแบก แล้วในหลวงท่านก็มาดูงานท้านเอยากจะไปดูท่าอเนจที่อยู่ที่ปฏิบัติของสําเดชว่าอยู่ยังไงสําเร็จก็เลยรับรับเสด็จในหลวงที่สารานั่เนี่ก็เลยมีบุคคลสามสามคนมีน้องตาหลวงตามาทีหลังครั้งหน้าก็สาเร็จระสารานําเร็จพระยาเนี้รับเสด็จได้หลวง ก็มีภาพอยู่ไงมีรูปถ่ายอย่างต้องต้องทาดูไม่ไม่ม่ทาร์เไว้เนาแล้วพอดีหลังจากที่ในหลวงท่านเสด็จกลับแล้วผู้ติดตามเมื่อเสร็จของสมเร็จภัทรก็เกรงว่ายวเกิดท่านมาเขาหน้าศาลานี้ไม่สมประเกียติลรอยากจะขออนุญาตสร้างใหม่พอดีข่าวไปถึงชาวบ้านที่อุตสาห์แบกงม้ขึ้นมา อย่างละยากลาบากว่าเขาจะรื้อศาลาอันนี้แล้วสร้างให <Yeah. S 1> ม่ชาระชานก็บอกว่าถ้าจะรื้อสร้างใหม่เขาก็จะไม่สายบาทให้พ้ะวันนี้ต่อไปพอสำเร็จพยายามท่านทราบขา่าวท่านก็บอกเก็บไว้แล้วอนุรักษ์ไว้ก็ต้กันอย่าอย่าไปนะ oh. แล้วพอตอนที่เราไปอยู่ช่วงนั้นๆเราก็ต้องคอยเปลี่ยนเปลี่ยนหญ้า ที่มึงหวังค่าวว่ามันผุมันเปื่ปอย อ, อยากใช้ยอยู่สองสามปีก็ต้องเปลี่ยนนา น, นแล้วขี้เกียจเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสังกะสีไปเลยความันอะไรจะไ ด, ไได้อยู่ได้นา น, นแล้วก็มามาปรับปรุงทําอะไรให้มันเรียบร้อยหน่อยไม้เมื่อกาลมันไม่เสมอก็มาปรับพื้นไม้ให้มันเสมอไม่ได้มีการทาน้ํามั น, นอะรก็มาทาน้ํามันทาอะไรก็จะเป็นไรสภาพที่หอยู่ในปัจจุบัน ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รือมาตั้งแต่ปีสองหกนี่ของผ้าก็ประมาณสามสิบเก้าปีแล้วอ่าสามสิบเก้าปีก็มีการแสดงธรรมะบนข่าวบนสารานั่งนี่ที่ที่ที่เกิดมาของสของทำและธรรมะบนขาวก็สารานั่นี้เป็นโลโก้ครับผมแต่พอมีโควิดแล้วก็ทางป่ามาเขาปิดไม่ให้กอนเข้าว เราก็เลยต้องย้ายลงมาพักอยู่ข้างล่างแล้วก็แสดงทางข้างล่างแลวประกอบกับ ต, ตอนนี้อายุมากด้วยเลาข้างบนนี้ไม่ค่อยสะดวกเรื่องน้ำเรื่องไฟก็เลยไม่ได้ย้ายขับขึ้นไปก็เลยอยู่ที่ปฏิห้ามาแสดงทางที่น่าปฏินนี้มันสะดวกไม่ต้องขึ้นขึ้นลง แล้วอยู่ถึงประมาณนี้ถึงถึงประมาณปีห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็ยังอยู่บนเขาช่วงกลางวันแต่ตอนเย็นจะลงมาพักข้างล่างเดินลงมาพข้างล่างที่พื้นข้างล่างแล้วก็ย้ายลงมาอยู่ประจํามันกั้ช่วงที่มีโควิดเมื่อปีหกสองนี้หกสองนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไปเลยจนถ้าบัานนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเขาแล้วอยู่แต่ข้างล่างเท่า COVID, นั้นตั้งแต่หน้ามีโควิดตั้งแต่ที่เข้าปิด ไม่ให้ย่านิโยกเข้าไปแล้วก็เลยลงมาข้างล่าง น, านั้นมีหน้าผ้าจา์ไม่ยอมไม่ใครไปเปลี่ยนสลาเลยนะครับที่มีฝนตกรั่วงหลายหลายทีพผอาจานก็ไม่ต้องไปยุ่งเอาซ <c oughs> ่อมมันไปถ้า ม, มันแตกไม่ต้องไม่ต้องซ่อมได้ถ้ามันรั่วตรงไหนก็ท <c> ำ <oughs> เป็นสังกสีมันมีแผ่นที่เป็นเหมือนกับแผ่นกาวทีติดได้กันทําได้ ถ้ามันเป็นถ้ามันเก่ามากๆอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนทั้งคาเเปลี่ยนัสใหม่ขอบคุณครับพระอาจารย์วันนี้ได้ทราบที่มาของสารากรุณาสาราทาาลธรรมาราพระาจารย์ชื่อเรียกชื่ออะไรนะครับสาราบนเขาจุธรรมจุลธรรมาราคือเราได้รับได้รับได้รับได้รับพระราชทาน เขยะไรพันยศเนี่ยเป็นเป็นพระประหลัดซ้ายของสนิด็จสังฆราชเป็นไงขาซ้ายก็สังราชมีเลยขาสองคนซ้ายขวาประหลัดขวากับหลัดซ้ายเราได้ประหลาดซ้ายประลัดซ้ายนี่มีชื่อว่าจุนนานายศส่วนประหลัดาขานี่เรียกว่ามหานายกเราเป็นจุนน า, นายกแล้วก็ ครับญาติโยมเวลาเขาระกราบเขาไปเรียกศ า, าลาเรีว่าศาลาจุนจุนบัตถเพราะว่าพวกพวกศรัทธาที่เป็นฟังเทศน์งทรมแล้วเขาก็ขอเนี่ยเอาทําหน้านี้ไปพิมพ์เป็นหนังสือแล้วขอให้ตั้งชื่อให้แล้วก็ตั้งเป็นจุนบัตถันนั่นเองครับเป็นชุดชุดชุดที่สองชุดแรกเรียกว่ากําลังใจกําลังใจนี้เป็นเทศที่สอนญาติโยมตอนเช้าที่ศาลาซึ่งไม่ไม่ไม่ไม่เน้นไปด้านปฏิบัติมาก สันนิยมยมที่ก็มีความเทศควมธรรมบนเขาเนี่ก็เขาฟังเรื่องปฏิบัติเขาสนใจเรื่องปฏิบัติก็เลยพิมพหนังสืออีกชุดหนึ่งเรียกว่าจุลธรรมตั้งชื่อเป็นชุดจุนลธรรมจุนธรรมนำใจบทข้างล่างก็เรียกว่ากําลังใจอันนี้กำกำลังใจอยู่แล้วพราะเราหยุดเทศที่ศาลาเ่อแต่เ่อห้าปีก่อนเมื่อมีเจ้ า, าวาด ตั้งเจว่าแล้วเจ้าวาเข้ามาอยู่ก็เลยให้เจ้าวาเก็แสดงแ ท, ทนในศาลาตอนเช้าแล้วก็เลยหนังสือชุดกำลังใจก็เลยหมดอายุไปก็มีหนังสือเล่มชุดใหม่มาธรรมะที่น่ากุศลอะไรต่างๆก็มีโผลกขึ้นมาแทน ปาปุกเคยเล่าให้ฟังครับพอาจารย์บอกว่าเคยติดติดตามองค์ตาที่ตรงตามาหาพระอาจารย์ถึงสองครั้งป้าปุกได้ติดตามมาด้วยใช่ไหมครับก็มีลูกศิษย์มาเยอะเหมือนกันนะไม่ไม่ทราบว่าใครเป็นใครเพราเราคอยคอยคอยคอยคอยคอยดูยแลน้องตาเท่านั้นเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่ามีใครมาด้ยบผมขอต้อนับน้องตาอะไรไม่มไม่มีเวลาที่จะไปมองคนนั้นคนนี้ <laughs> สติส ต, ติต้องระมัด ร, ระวังเลยตลอดเวลาอยู่ท่านต่ อ, อได้เมืนแวานไปคุยคนนั้นคนนี้องคอยเดี๋ยวท่าน ถ, ถามนู่ถามนี่จลได้ตอบได้ครับวันนี้เพิ่มปิติแล้วครับอาจารย์ได้รู้ที่มาของสาราเลยครับขอบพระคุณครับอาจารย์าาครับมันผมขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับใช่ คุณนภัสสอนครับบอกว่าปฏิบัติทำแล้วใจไม่สงบเป็นเพราะอะไรเจ้าคะว่ยังปฏิบัติไม่ได้ผลนี่เลยมันก็ยังไม่สงบถ้าได้ผลมันก็จะสงบที่ไม่ได้ผลเพรว่าสติเรายังมีกําลังน้อยแล้วก็สู้กับมังของกิเลสไม่ได้มันอยู่ในช่วงชักกระเยอะกันนึ้งกันไปเด้งกันมาช่วงนั้นมันจะทรมานมากเพราะมันมันจะเครียดมันจะตึงเครียดมันกัคนชักกระเยอะกันนะแต่ถ้าเราฝ่ายได้ฝ่ายใน อ่อนกำลังลงลฝ่ายหนึ่งชนะนี่ความเพียดกระจายไปเนี่ยเวลาเป็นหมอเล่นชักกิเลส อ, อยู่เนียถ้าต่างฝ่ายทางเดิมมาโอนมันต้องใช้แรงสู้กันนะแต่พอฝ่ายหนึ่งปล่อยปั ย, ยอมแพ้ปันี่เบาเลยอันนี้กับมันกันถ้าสติเรามีกําลังมากกว่าถึงขีดห น, น, น, นึ่งกิเลสมันจะยอมแพ้พอยอมแพ้ปั๊บจิตก็สงบเลยนน่งงังเชื่อวงแร้นๆนี่ต้องพยายามสร้างกําลังของสติให้มากกว่ากิเลสให้ได้ ถ้ากำลังสติมากกาว่ากิเลสแล้วพอพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวกิเลสยำหยุดต่อสู้เองพอหยุดต่อสู้แล้วพัจิตก็เ ย, ย็นสงบสบายเห็นผลทันทีพอได้ผลทันทีจติตจะติดใจแล้วแต่โอไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบนี้แล้วมันจะเกิดฉันทามิริยะขึ้นมาโดยอัโนรมัตย์ยันพยายามต่อไป สติยังน้อยเลยกำกำลังของสติยังน้อยยังไม่ต่อเนื่องต้องฝึกสติให้มากมากกอนที่จะมานั่งคุณชยานิตครับเพื่อนฝากถามว่าคนเรามีเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้มาอยู่ต่างถิ่นคือเกิดอีกที่แต่ใช้ชีวิตอีกที่ครับมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นความอยากส่วนหนึ่งด้วยคนเราก็อยากจะไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ ม, มีความสุขก็อยากจะไปอยู่ที่นั่น อีกส่วนหนึ่งก็าจจะเป็นเหตุปัจจัยรอบนอกตัวเองบางทาีตอนที่เป็นเด็กก็ต้องไปตามพ่อแม่ใชพ่อแม่ต้องไปทํางานที่ไหนก็พ่อแม่ก็ออกไปด้วยเพราะงานทำเลี้ยงดูหรือถ้าพ่อแม่ไม่ไปก็อาจจะฝากไว้กับคนอื่นอย่างเราเนี้ยพ่อแม่พออายุสองขวบก็ไปฝากไว้อยู่กับยายกับย่าที่สุพรรณบุรีครับอยู่กับาติที่สุพรรณบุรีสิบปีแล้วก็พอตอนนังพ่อแม่ก็มารับไป นับสาก็ไม่ได้มานับมาให้มาอยู่ที่บ้านที่บ้านตอนนั้นพ่อแม่มาตั้งลอบหน้อยู่ที่ปัตตานะีเพราะแม่อยากให้เรียนหนังสือที่กรุงเทพก็เลยไปเรียนหนังสือที่กงเทพก็เลยไปฝากา่าเรามากับบ้านคนนั้นคนนี้ <laughs> ก็อยู่หลายที่ด้วยกันอยู่กรุงเทพอยู่หลายที่เลยอยู่คนนั้นบ้างอยู่คนนี้บ้างแต่ใ น, นที่สุดพ อ, พอจบปั๊บมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้จบแล้วมันก็ไม่รู้จะทําะไร อแมเขาคิ่าเรียนจบแค่นี้ก็พอแล้วแต่เรายังอยากจะเรียนต่อเราก็เลยหางานทําพอดีมีงานที่ที่ก่อสร้างสนามบินอุตภารก็เลยรู้จักคนก่อชาวต่างชาติที่มาทํางานก่อสร้างเขาไปเช่าบ้านของพ่ออยูที่พัทยาก็เลยถามว่าไปทํางานได้ไหมเขาก็เลยพาไปสมัครให้พาไปทํางานก็เลยได้ทํางานที่อุตภารอยู่ปีคึ่ง ก็ได้เงินก้อนหนึ่งพอที่จะซื้อตั๋วระอบินแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกาได้นั้นปีหนึ่งก็เลยบอกพ่อแม่ว่าผมจะไปแล้วนะผมจะไปเรียนต่อส่วนที่ไม่ได้รบกวยของเงิ น, นทองจากพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่จะเมตตาส่งมาช่วยก็โอเคนะยินดีออนไลน์ก็เลยส่งให้เดือนละสามพันแปดช่วงนั้นอแต่ส่วนนึงก็เรามีเงินของเราแล้วเราก็เวลาปิดเทอมซัมเมอร์เราก็ทํางานหาเงินมาเอง ลแลุมเราใช้เงินทำบ้านประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเราหายเองตัวระยะเวลาที่ยนั่งเซฟ อ, อยู่ที่สามลนเนี่ยมันมีเหตุการณ์พาไป ม, มันมันมีหลายเห็นหลายปัจจัยด้วยกันเราไม่ต้องไปสนใจมันนะ่ะอยู่ที่ไหนขอให้เรามีความสุขเท่านั้นเป็นตัวที่สําคัญที่สุดใช่ไหม ใ, ให้มีความสุขสุขจะเกิดจากการทําความดีนะไม่ได้สุขเกิดจากการทําทําสิ่งที่ไม่ดีเช่นเสพอบายยาลบหรืออะไรทำแบบนี้ ใหนเรามีความสุขที่ไหนก็ได้ขอให้เรามีควาสุขด้วยการทาความดีด้วยความเื่อสารสุจรตให้เราหาความสุขไปเรื่อยจนในที่สุดก็พาเราไปบวชพะเราไปบวชพาไปอยู่วัดปาัดตาเนี่ยมันธรรมะมันทาเราเราชี้ให้คนเราเนี่ยเเรียกว่าธรรมะจัดสรรจริงๆเราไม่ค่อยได้ไปกำหนดกันมันเท่าไหร่มันมันไหลลงไปเองตามตามตามเหตุการณ์ตามภาวะ ตามคามต้องการของเราด้วยเราก็ต้องการคว า, ามสุขความสุขเรต้องการความสุขแบบนี้มันก็จะพาเราไปบบท่านี้แล้ว<อ>ถ้าในี้สุดกรรมามาติดอยู่ที่นี่ในที่สุดกรรมามาจอดที่นี่ตั้งแต่ดีสองเจ็ดนี่ไม่ได้ไปไหนแล้วเพราะมันมันเต็มที่แล้วจะไปหาความสุขที่ไหนล่ะไ <laughs> ที่ไหนมันก็ท่านี้แหละก็เลยไม่ต้องไปนะเต็มเปี่ยมแล้ว <laughs> <laughs> แต่ท่านนายเกิดมาท่านอายุสองขวบนี่เก่งไปเก่งมาตลอดย้ายถิ่นฐานอยู่หลายที่หลายทางด้วยกันแลนวในที่สุดก็มาจบที่วัดยานะปีสองเจ็ดไปปีสองเจ็ดก็มาปัดด่บงที่ น, บบนี่จนถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้ไปไหนเลย <c oughs> ไม่อยากไปไหนด้วยว <c oughs> นะลุงจะไปไหนไปเรื่องเหนื่อยที่เกลียดไปไม่อยากยะออกไปไหนไปก็ต้องเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอะไรอต่างๆ แล้ว เ, เ, เป็นพระเดินทางตามมาพาเขาลำบากเขาต้องมีลูกสิษไปเนื่องต้องหารถไปอะไรยุ่งยากไม่ไรถ้าไม่มีความจาเป็นเราไม่ไปไหนนะถ้าจะไปก็ต้องมีคนมารับไปถึงจะไปนะครับถ้าอยากไปเองไม่ไปแล้ขี้เกียจไปแต่ก็ไม่ไปมีคนมารับก็ปฏิเสธส่วนใหญ่ไม่ไปไหนนะครับคุณปิยรัตน์ครับ เวลาได้ยินแม่พูดไม่ดีถึงผู้อื่นในฐานะลูกจะเตือนแม่ได้ไหมคะไม่ได้หรอกไม่ใช่เรื่องของเราแม่จะพูดแม่จะทําให้เป็นเรื่องของแม่นอกจากถ้าแม่สั่งไว้ก่อนว่าลูกถ้าเห็นแม่ทําอะไรไม่ถูกบอกแม่ดเรื่องนะประวารณาถ้าแม่ปรวารณากับเราเนี่ยเราก็บอกได้เนี่ยก็สมงนี่ถ้ามีทํามเนียมให้ปรวารณาตัวกันเตอนหนอกพรรษาเนี่ยแทนที่จะฟังภาพปฏิโมกขพิจารณาบอกให้ถ้าประวารณาตัว ให้พาทุกลูกภาวนาตัวต่อสองว่าถ้าท่านเห็นท่านเห็นก็ดีได้ยินก็ดีนึกสงสัยในพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราก็ดีโปรดแจ้งเตือนให้กับข้าพเจ้าให้ทราบด้วยเถิดจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะท่านใครเขาวานาตัวหลังนี้ก็เตือนได้ถามหน้าก่อนเน้าหน้าหน้าหน้าหนาภาวนาตัวขเขาหรือยงัง <c oughs> ถ้าเราภานาตัวแล้วก็บอกได้ แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่เนปานาตัวแับเด็กแบบใช่ไหมใช่ครับเพราะเาเลี้ยงเด็กมาเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่เกิด่าจะเ้องมาให้เด็กมาสอนเขาได้อย่างไรัรบตามหลักความจริงแนละ้วผู้ใหญ่สอนเด็กไม่ใช่เด็กสอนผู้ใหญ่แต่เด็กมันสมัยนี้ไม่ไม่มันไม่มีวิชาธรรมะไม่รู้ที่สูงที่ต่ำที่ถูกที่ผิดที่ควรไม่ควรก็แล้เนี่ยก็แล้ ทำตัวไม่ถูกทำฐานะเกันตัวของลูกแท น, นี่จะเป็นลูกกับทำตัวเป็นพ่อเป็นแม่ของพ่อแม่ที่ก่อนไปสั่งสอนพ่อแม่ไม่ควรอย่ายิ่ง <Okay. S 1> คุณพัทวินครับหากพบาหากพบสามารถดับสิ้นเหลือชาติชลามรณนะสถานที่ต่อไปคือนิพพานใช่ไหมครับอะไรชรติ ชาลามานั่งก็พบเนี่ยพบชาติก็คือการเกิดแก่จิตใจคือพบชาติถ้ายังมีถ้าท่านหยุดมันได้หยุดการเกิดได้ก็ก็สแสดงว่าถึงนิพพานคุณพีชครับพิธีลงเสาเอกมีความจําเป็นต้องทำเพื่อความสุขของคนในบ้านไหมคะถ้าเชื่อต้องทำถ้าไม่ไม่ทำแล้วเดี๋ยวก็จนะไม่สบายใจอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ คุณม a สเตอร์เพซครับทำไมรู้สึกเฉยเฉยเบาไปหมดเลยคะเวลามีสติแล้วรู้ตัวกลับมาอยู่กับลมกับกายดูเวลาพัดไหลมาทในออกนอ ก, นอ ก, นอกเวลาดึงกลับมาความรู้สึกคลายเร็วแล้วเบาแ ล, แ, ลแล้วเฉยเร็วมากเลยค่ะอันนี้คือตัดกิเลสตัวละเอียดหลงไปกับความเฉยไหมคะยังออกเพียงแต่อาจจะอาจจ ะ, จจะกดมันไ ว, ว, ว้ชั่วข่าวมันอินทับยาก การจะตัดกิเลสได้นี้ต้ตัดด้วยปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งที่เราหลงคิดว่เาเป็นเป็นส่วนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับเก็บไว้ให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้อันนี้เราใช้ปัญญาทิฏยาตัดตัวละเอยียดตัดวตัวผลไา้ด้วยปัญญาด้วยการเห็นใจรักถ้าใช้สติจะ จิตสงบจิตเบาจิตเต็เบิกขาตัวกิเลสโลกคนน้องก็จะพักตัวชั่วครัวแต่พอเราออกจากพอเราเพิดสติเมื่อหลัมันก็พบลขึ้นมาได้คุณคามิโอครับอาจารย์เจ้าค้านหลานสามมีคำถามเด็กวัยรุ่นถามว่าทำไมพระถึงไม่สวมชุดกางเกงแบบปัจจุบันจะได้ทำอะไรได้สะดวกเด็กมองว่าใส่ชุดแบบพระสงฆ์ไม่สะดวกเจ้าค่ะควรจะตอบหลานว่ายางไรดีเจ้าค่ะ เพว่าพระนี่ก็ ม, ม, มีมีหน้าที่ต่างกับญาติโยมถ้าไม่จำเป็นที่ต้องใส่ชุดจริงจริงท่านก็อยู่แบบผมท่านมาตั้งแต่สองพันห้ารอกว่าปีมาแล้วเป็นธรรมเนียมเป็นขนบธรรม เ, เนียมประเพณีที่ท่านสามารถอยู่ได้แบบนี้เพราะท่านไม่ต้องไปกระโดดเต้นไปทําอะไรเหมือนกับที่ญาติโยมทำยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตามญาติโยมสังคมญาติโยมเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ต้องทัดตาง เอาไปสังคมญาติโยมาจะใส่แต่งใจเน้นต่อไปก็ได้คยุคนี้เริ่มนั่นจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ชอบไม่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวชอบอวดทะเลล่าต่างๆใส่เสื้อผ้าแบบนัดนัดตัวจนกระทั่งท่านจะไม่รู้ว่าเนื้อหนังกับเสื้อผ้าเป็นเป็นอะไรกันนะท่านต้องผ้าทําตามสมัยก็มันก็ยุ่งกันห คุณแบงค์ครับการเรียนสอบถามดังนี้ครับเวลาทําสมถะใช้คําบริกรรมแต่เวลาพิจารณาทางปัญญาให้พิจารณาโดยไม่ต้องมีคําบริกรรมถูกไหมครับถูกต้องเวลาคุณพิจารณาคุณจะแบบบริกรรมได้ยังไงของอย่างมันสออย่างมันทําพร้อมกัน ไ, ได้คุณพิจารณาตายลักหัวหน้ว่าอะไรเป็นอนิจจ์อ น, นิจจ์เป็นอย่างไรต้องวิเคราะห์วิเคราะห์วิจัยใช่ไหมความไม่เที่ยงแปลว่าอย่างไรคือการเปลี่ยนแปลง การเจรจาการเสริมนี่เรืองาไม่เทีย่ยง้องใช้ความคิดวิเคราะห์การบริกรรมนี่เพียงแต่ต้องการควบคุมไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนถะถ้าคุณบริกรรมคุณก็พิจารณาไม่ได้ถ้าคุณจะพิจารณาก็ต้องไ ม, ไม่ต้องไม่บริกรรมคุณมาริษาครับขอหลักฐานคาสอนจากพระอาจารย์เนื่องจากได้รับข่าวสารหลายครั้งเรื่องราวเกี่ยวกับวิกฤตในชีวิต จนทําให้ตัดสินใจฆ่าตัวตายทั้งยังพาคนในครอบครัวไปตายด้วยขอความมิตตาพระอาจารย์ค่ะเพราะการฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงที่ถูกต้องเป็นการแก้แบบอ่แบบะไรแบบตายเหตุอย่างนึงไม่ใช่ที่ต้นเหตเพราะต้นเหตุที่ทําให้คนฆ่าตัวตายนี่คือความเครียดแล้วความเครียดนี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจ แล้วต้องเหตุของความเครียดก็คือใจไม่สงบอย่าถ้าเรามาทําใจให้สงบได้ความเครียดหายไปก็จะไม่คิดฆ่าตัวตายกันอย่งเป็นการฆ่ า, าตัวตายนี้เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดต้องไปแก้ที่ใจเป็นหลักอาเณรที่คนฆ่าตัวตายเพราะความเครียดเพราะความสิ้เศร้าเพราะความไม่มีความสุดทางใจือถ้า ถ้าอยากจะแก้ก็ต้องไปแก้ที่ใจทําให้มันสงบไปได้เพราะใจสงบแล้วจะมีความสุขจะหายเครียดจะหายซึมเทร้าคุณปิยารัตน์ครับตอนเข้าสมาธิแล้วรู้สึกลมหายใจวาวบางลงบางครั้งเหมือนจะหายไปแต่ก็รู้สึกตกใจจนกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมจะผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงครับพระอาจารย์ก็อย่าไปตกใจให้ให้รู้เฉยๆไป คุณธนพงศ์ครับพระอาจารย์ครับถ้าผิดศีลครบทั้งห้าข้อแล้วสามารถเป็นโสดาบันได้ไหมครับหากพยายามรักษาศีลทั้งที่ผิดพลาดไปแล้วในอดีตคือการผิดพลาดไปแล้วในอดีตนี้ไม่เป็นปัญหาอเลยอยากผิดพลาดในปัจจุบันก็ได้เพราะเวลาจะเป็นโสดาบั น, ม, นมันต้องเป็นในปัจจุบันแล้วก็ต้องก็ต้องมีมากกว่าศีลนั่นเสียด้ซักแต่เรต้องเึกฝึกสมาธิให้ได้ก่อนต้องมีสมาธิให้มีอุเบกขาก่อน ถจะสามารถใช้ปัญญาณสั่งยุตได้สังยุนสามข้อแรกได้คุณสมพรครับเราจะกำจัดราคาโมหะโทสะให้ค่อยๆหมดออกไปจากใจได้อย่างไรวัยครั้งจริงๆทุกครั้งก็ว่ามีผัดสาข้างนอกมากระทบกระตุ้นให้เกิดราคาโมหะโทสะน้องกากขอคำแนะนำพอาจารย์ครับก็ต้องทำเป็นระบบทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือขั้นหน้าก็ต้องฟังหมันฟังเทศฟังธรรมอยางเลย เนี่ยพุทธศาสนามีวันธรรมสวรนะ์ใช่ไันธรรมสวรนะ์แปลว่าอะไรแปลววันฟังธรรมฟังธรรมมันมากหรือเปล่ามันในวันธรรมสวรระ์ฟังธรรมเศรษาวิธีกําจัดราคะโทสะโมหะมากำจัดยังไงทางวิธีให้กําจัดด้วยด้วยทานด้วยศีลด้วยการภาวนานี่ก็ทําทไปะ อันนี้มันเป็นของที่ไม่ใช่จะทำได้แบบถูกผัดเหมือนเปิดเปิดสวิทช์ไฟติดปุ๊บเลยนะีอันนี้มันแบบกุม้มลมไม่ใช่สร้างในวันเดียวการที่จะกลับจัดราคะโทรศโมหานี่ไม่ใช่ทำในวันเดียวขณะป้าหลาน ย, ยุค ป, ปัจจุบันนี้อย่างหลวงตาท่านกว่าจะบรรลุนั้นท่านต้องท่านทาน่ทานต้องบวชได้สิบหกพันษาแล้วนะสิบหกปี เหมือนกิ จ, ก, จกรรมจัดราค้าโทสะแล้นั้นต้องอยู่ในเบสเพคของนักบวชด้วยนะใน16ปีนี้ต้าไม่นับถึงตอนที่ท่านเป็นคราวาสตอนท่านครับเป็นฆาวาสก็ไม่ทราบว่าท่านท่านท่านได้ความเทศความธรรมได้ปฏิบัติหรือไม่อาจจมบอกว่าท้าไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติก็ท่านก็ทําในขณะ ท, ที่ท่านเป็นนักบวช ท, ทํานังสือ16ปีด้วยกันท่านนั้นจะสามารถกําจัดราค้าโทสะโมหะให้หมดไปได้ ถ้าอย่างย่าโยมเนี่ยวันวันหนึนน่งปฏิบัติแคั้นสักกี่ชั่วโมงน่นจะไปหวังให้มันหมดออกไปจากใจได้อย่างไ ร, รพูดเปรียบเทียบให้หมครับครับเอาจต่์าวกว่าหกปีใไมครั บ, รมรกกบไม่ได้อยู่ในวางนอกจากวางแมมถ้าอยู่ในวางอีกร้อยปีก็คงไม่ไม่สำเร็จคุณเดอะมัลติเวอร์ชยูนิตี้ครับ การใช้ยาทัศนะเป็นอุปจารสมาธิใหม่ครับไม่ใช่หรอกยาทัศนะเป็นยานที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราทําอะไรได้สําเร็จรู้งลงไปเช่นเราไม่สบายไปรักษารักษาพอาหายจากโรคแล้ความความความราาามู้เราหายจากโรกมันก็ปรากฏขึ้นมาเองนี่แหะเพรเราหายจากโรกเียบร้วเราไม่ต้องไปหาหมอแล้วไม่ต้องไปกินยาแล้วมันเป็นความรู้ที่ปรากฏตามมาจาก ที่เราทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งสําเร็จแล้วยิบูติอาเราหลุดพ้นจากความทุกข์จากเรื่องนี้แล้วไม่ทุกข์กับเรื่องนี้ต่อไปแล้วไม่ทุกข์กับการฆ่าแล้วไม่ทุกข์กับการมาาคาแล้วมันจะรู้ขึ้นมาไม่ต้องไปถามใครว่าเออเราบรรลุแล้วยังเรารู้เราเอเราหลุดพ้นด้วยอย่างอันนี้นี่คือการปฏิบัติทางพุทธศาสนาไม่ต้องให้คนอื่นยืนยันธรรมะเป็นสัจจิติโกะ ผู้ปฏิบัติสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองรู้ด้วยญาณทัศน์นเอ ง, เองคุณนภัสสอนครับอยากถามใจไม่ค่อยนิ่งเลยค่ะนั่งสมาธิไม่ได้นานทําอย่างไรนะคะสติน้อยเนี่ยต้องฝึกสติก่อนฝึกทั้งวันเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามานั่งสมาธิอย่างเดียวฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุโทโธไปเลยตั้งสติก่อนก่อนที่จะไปทําอะไร อย่าปล่อยให้ใจคิดหรือถ้าเป็นผู้เฒ่ก็ต้องดูเข้าดูอิยาบทของร่างกายพอลืมตาขึ้นมาก็รู้ว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนท่านอนอนอากําลังลุกขึ้นมานั่งากำลังยืนกําลังเดินอันนี้ต้องเฝ้าตามดูอิยาบทไม่ใช่ตื่นขึ้นมาพูดท่านลุกขึ้นมาเดินออ ก, นะก้าวทำโน้ทํานี้ใจก็คิดถึงคนนั้นคนนี้นเรื่องนั้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไมีไม่ได้ฝึกสติแล้วไม่มีสติ แล้วคือสเตจนี้จะไม่ให้คิดเรื่องอะไรเลยให้เอาคิดแต่เรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันให้ดูในปัจจุบันดูเรา้นร่างกายกําลังนอนกำลังลุกขึ้นมาหน้ากําลังยืนกําลังเดินกาลังเข้าหนะ้อน้ำกลังน้างหน้าแปลพันให้อยู่กับเรื่องของร่างกายไม่ให้ไปคิดเรื่องถ้าจำเป็นจะต้องคิดเรื่อง อ, งอื่นก็ก็หยุดการเคลื่อนไหวทางร่างกายแล้วก็คอยดูความคิด คิดเท่าที่จําเป็นคิดว่าวันนี้ต้องทําอะไรต้องไปเจอใครพอคิดเสร็จแล้วไม่ต้องคิดก็กลับมาทํางานต่อเตรียมตัวไปแต่งเนื้อแต่ตัวกินข้าวแล้วก็ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายไม่ให้ไปคิดต้องเลอย่างนี้เรีว่าเป็นการฝึกสติถ้าทำอย่างนี้ได้เวลานั่งมันจะนิ่งได้ง่ายเพราะมันนิ่งก้นมาตั้งแต่ก่อขก่นที่จะนั่ง น, นะเพราใจามันไม่รอยไปรอยมากับความคิดต่างๆ มันอยู่กับน่างกายตลอดเวลาอาจารย์ครับตอนอาจารย์เป็นโยมอยู่ก็ฝึกอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเออฝึกอย่างนี้เลยพอเราอ่านสติปัฏฐานสี่ในเรื่องกายยั ก, กตาสติแล้วก็เข้าใจเนี่ยตอนร้อยสอยนนี้เวลาจะหันหน้าไปทางซ้ายก็มือก็มือไปทางซ้ายเวลาหันหน้าไปทางขวาต้องรู้เวลามีบอาหารเข้าปากก็ต้องรู้เวลาเคี้ยวก็มือเวลาเดินก็กมือให้เฝ้าดูทุกเรียนแบบของการ ค่ทะทของร่างกายคุณพิตตี้ครับถ้านั่งสมาธิแล้วเคยเห็นว่ากายใจเวทนาแยกจากการรู้สึกตัวทั่วพร้อมต่อมาใจนิ่งต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะถ้า <c oughs> นนิ่ง น, นานๆนัายมันนิ่ง น, นานๆอย่าเพิ่ง อ, อย่าไ่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรต้องการให้จิตมีพลังของสมาธิของอุปบกขาถ้านิ่นี้านหลายจิตจะมีพลังมากขึ้นนท่านั้น แล้วต่อไปเวลาออกจากศาสนาที่มาจะได้ใช้ความนิ่งสึ่งกความอยากนะหยุดความหยุดความอยากด้วยความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวด้วยด้วยความสงบนะก็ได้มีคํานี้นะสยบการเคลื่อนไหวด้วยความสงบนะความสงบก็คืออุเบกขาความนิ่งความเคลื่อนไหวก็คือต้าหาความอยากต่างๆความโลภความโกรธความเหนือยเนี่ยคือตัวเคลื่อนไหวปริสนาธรรมบอกฝากท่านไววันนี้สยบการเคลื่อนไหว เสยการความงคุณเอกวิทย์ครับถ้าจะไปบวชวัดไม่ดังแต่เน้นการภาวนาไม่เน้นก่อสร้างและพิธีกรรมแบบนี้พอไปบวดได้ไหมครับแล้วจะเอาคําสอนพระอาจารย์สุ ช, ชาติไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติเองคือไปบวเก็ว่าไงเพราต้องคนที่บวดให้เราเขาตเป็นอาจารย์อางเดียวแบบต้องหรือว่าท่านสารเรื่องการปฏิบัติาไหมถ้าท่านเน้นการภาวนา ไม่มีก่อสร้างท่าน ส, สอนเราก็เราก็บวชได้แล้วก็ถือท่านเป็นอาจารย์แต่แลก็เราก็สามารถเอาคําสอนของภาพลูกบวชที่เรามีศรัท ธ, ธาเอาไปปฏิบัติได้แต่เราไม่ต้องไปบอกท่านเราก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเราไปถ้าคําสอนท่านกับคําสอนที่เราได้ยินมามไม่ขัดกันก็โอเคถ้าเป็นขัดกันเราก็ต้องเราก็ต้องศึกษาดูว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูก อันนถูกแล้วก็ยึดเอาอันนั้นอันนั้นไม่ถูกแล้วก็ไม่ยึดเอาอ น, นั้นแต่เราไม่ต้องไปบอกเขาว่าอันนี้ไม่ถูกผมไม่ตามตามกัานต่อเนือแล้วก็ทำของเราไปตามทําแบบเงียบๆไม่ต้องไปเปิดเผยเพราะงานนั้นทางจิตใจมันไม่มีใครรู้หรอกถ้าเราไม่ออกมาพูดใช่ไหมคุณพรัตครับ กลับนักวิชาการพระอาจารย์ครับผมอยากถามว่าหากโดนกั่นแกล้งยั่วยุทําอย่างไรถึงจะเอาตัวเองออกจากโมหะตรงนั้นได้ครับก็ถือว่าเป็นกรรมของเราว่าเราเป็นวิบากของเราถือว่าชาติก่อนแล้วเคยอาจจะกั่นกัดแกล้งเข้ามาก่อนชาตินี้เราก็ต้องใช้กลับกลับไปยอมนับกลับเสียไม่น้องต่อยอมหยุดเย็นใช้หลักยอมหยุดเย็นยอมนับผลของกรรมถือว่าเป็นวิบากกรรมของเราหยุดต่อต้านหยุดต่อซึ่ง อนนาาจจรยก็ะเคุณสมพรครับถ้าโยมมีความรักในเชิงชู้สาวแสดงว่าโยมมีราคะกับโมหะผสมลงโรงร่วมใช่ไหมครับต้องรักอย่างไรไม่ให้มีราคะไม่ให้มีโมหะครับก็ต้องเห็นว่าเป็นรัศพะจะเห็นหร่างกายเป็นรัศพะก็จะไม่รักแบบราคะแต่จะรักแบบเมตตาอย่างเมตตาอยังดูแลเขาอยู่เลี้ยงดูเขาอยู่ ช่วยหลือเขาอยู่แต่ไม่ไว้วาง่วมร่วมหลักนอนกับเขาอาจจะเป็นลูกเราเป็นพี่เราน้องเรานึือใครก็ได้นะที่เราเกี่ยวข้องด้วยเพื่อนเราก็ได้แต่เรารักเขาแบบเมตตาเนี่ยเราไม่ได้รักเขาแบบราคาเพราะเราเห็นมากกายเขาว่ามันไม่สวยไม่งานที่ไม่มีความอยากจะมีการตลาดถ้าเกิดขึ้นเราจะรักด้วยความเมตตาอุเบกขาด้วย นับแต่แม่หนุงไม่ยึดไม่ติดช่วยเขาได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้เขาไม่ทุกข์กับการที่เราช่วยเหลือเขาไม่ได้ทำดีที่สุดคุณจูดีครับ <c oughs> ถามพระอาจารย์ว่าถ้าแม่ใส่ท่อช่วยหายใจยอยู่โรงพยาบาลยังมีชีพจรความดันดีอยู่จากยาแล้วจะเอาแม่กลับบ้านหมอให้เราเอาท่อออกเองให้แม่ไปเสตที่บ้านเราจะบาปไหมคะหมอไม่ยอมเอาออกให้คะ่ะคือแม่อยากกลับบ้านคะ่ะ ก็ถามว่าบาปนั้นมีไม่บาทเพราะเราไม่ได้ข้างนะ่เราเพียงแต่ยุติการช่วยเหลือการการรักษาเท่านี้ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่แม่ต้องการก็ได้ แ, แม่ไม่ต้องการจะรักษาแล้วการไม่รักษานี้ s ไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปทําทได้แต่ต้องมันได้รับฉั น, าน้าธรรมมาจากเจ้าของคือแม่ก่อนดีกว่าถามแม่โอเคไหมถ้ากลับบานก็ไม่มีท่อหายใจแล้วนแม่จะาอาไหมถ้าแม่บอกโอเคก็ถอดเราที่โรงพยาบาล บ, บคุณดวงพรครับพระอาจารย์เจ้าค้าทํางานแล้วทําอย่างไรจะไม่ให้เรามีอารมณ์หงุดหงิดในคําพูดของผู้ร่วม ง, งานทําให้เราโมโหง่ายพยายามภาวานาพุโทโธแล้วครับคือที่เราหงุดหงิดเพราะเราอยากจะได้ได้นนฟังคําที่ภายเราะคําที่ถูกใจเราพอเราได้ยินในคำที่คําที่ไม่ไยเราะไม่ไม่ถูกถูกออกถูกใจเราเราก็หงุดหงิดขึ้นมา ดนั้นเราก็ใช้ธรรมะข้อนี้ว่าคําพูดของคนเป็นอนัตตาเป็นเหมือนเสียงลมพัดเนี่ยทำให้สามารถไแต่กมบังคับเสียงลมพัดได้มันจะพัดดังหไ ม, ไม่ดังพัดเสียงไหนมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไปคําพูดของคนเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ว่าให้พูดดีๆกับฉันนะพูดให้ถูกใจฉันเอาเข้าใจฉันนะอะไรแบบังคับเขาไม่ได้เมื่อเราบังคับไม่ได้เมืเามา่อเราต้องอยู่กับเขาเราก็ต้องทําใจ ความใจเป็นนิ่งเฉยด้วยอุเบกขาถ้าไม่มีอเบกขาขอพระดำพยายามจัดระเสติให้มากขึ้นพูดถอให้มากขึ้นอย่ามาพูดถอตอนที่ที่เจอเหตุการณ์มันจะไม่ทันการต้องซ้อมก่อนก่อนให้มันมีกํำลังมากๆพอถึงเวลาเจอเราก็พูดถอยไปได้ดูไปเลไม่ไม่เป็นสนใจกับความคิดการกระทําของเขาเียเดีย ว, ยวใจแล้วก็สงบเย็นไม่ไม่ห ม, มองไม่รู้สึกอะไร คุณอัญญานีครับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขาเมื่อนั่งสมาธิแล้วจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวหลังจากนั้นเราจะต้องทำอย่างไรต่อคะก็ให้มันรวมนานๆไงให้มันมนาเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีเครื่ อ, องยี่ห้อแล้ถหถลายด้วยการใช้สติเนี่ยให้จิตรู้คอยคุมอย่าให้มันคิดถ้ามันจะคิดก็หยุดมันอย่าให้มันคิดต่อคุณเดลมัลติเวอร์ซยูนิตีครับ สังขารสั่งร่างกายได้อย่างไรครับเมื่อธาตุรู้และธาตุสีเป็นคนละอันแล้วใครสั่งเราให้เคลื่อนไหวกระบวนการอย่างไรครับสังขารคือความคิดนุ่มแต่เนี่ก็มันสั่งได้นอย่างคุณจะพูดคุณจะเขียนหนังสือนี่คุณก็ต้องสั่งก่อนนี่แหละสั่งร่างกายให้เขียนหนังสือนี่แล้วก่อนที่ร่างกายจะเขียนหนังสือได้คุณกต้องสอนให้ร่างกายหัดเขียนก่อนใช่ไหมต้องไปโรงเรียนก่อนหัดไปเขียนกอไก่ขอไก่ก่อนมันเป็นการขั้นตอนของการฝึกฝึกฝนอบรม ร่างกายยิง ใ, ใจเรานะเราฝึกฝนบำรุมมมมมสังร่างกายตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กใช่ไห <Okay. S 1> นะตอนต่อเกิดมาเรารู้ขึ้นมาเดินไม่ได้ใช่ไหมอะไรไม่ได้เราก็ค่อยๆสอนมาให้รู้จัดทานก่อนให้รู้จักยืนก่อนแล้วให้รู้จักเดินก่อนสังขารทั้ง น, นั้นหนักเป็นก่อนสัง่งให้มันซ้อมไปก่อนหัดทาไปก่อนฝึกไปเรื่อยๆด้วยอนนี้สุดพอพ อ, อพอมันทําเป็นหน้าที่พอคิดปุ๊บ ม, มันก็ทําปั๊บได้เลย อันนี้ก็สังขารนั้นอาศัยการการฝึกฝนตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่พอเกิดมานี้เราก็เริ่มฝึกฝึกใช้ร่างกายให้มันทําตามคําสั่งของเราให้มันกินอะไรให้มันเดินอะไรนี้ให้มันขับถ่ายที่ตรงไหนอะไรอย่างไรนี้เราเป็นคนสั่งมาทั้งนั้นสังขารเป็นคนสั่งนะสั่งด้วยการฝึกฝนอบรมแต่ใหม่ๆสั่งแล้วมันไม่ทําก็ต้องบังคับมันบังคับมันยกแขนขึ้นยกขาขึ้นยืนขึ้นอะไรทำนองนี้ ่ตปทได้คุณวชิรวิทย์ครับกลับขอความเมตตาครับมีญาติต่างจังหวัดแนะนําว่าให้ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่บ้านเพื่องเข้าอยู่ผมคิดว่าควรไหว้เาฉาพาะบุคคลที่ควรไหว้เาฉาพาะพาะราตนาไตรเจ้าที่มีแต่สามพเวสีไม่ทราบว่าจะเข้าใจถูกหรือไม่ครับคือเป็นความเชื่อเนอี่ยจริงแถวนะไม่รู้จะมีเจ้าที่หรือเปล่าก็ไม่รู้ความเชื่อว่าทุกแห่งทุกบ่อมีเจ้าที่เจ้าทาง ก็เป็นความเชื่อท่านนองเวลาสร้างวัดเขาไม่ได้สร้างสารพระภูมิด้วยที่ว่าทีไม่เป็นสารพระภูมิชาวต่างประเทศเขาสร้างมากแล้วก็ไม่เป็นสารพระภูมิมันเป็นเรื่องของความเชื่อนั่นเองอจะทําก็ได้ไม่ทาก็ได้อยู่ที่ความสบายใจโรงแรมสมัยใหม่บางทีก็ยังเชื่ออยู่ก็สร้างแล้วว่าต้อ ง, องสร้างสารพระภูมิโ ร, รงแรม ขาดห้าดาวบางทีก็มีศาลพระภูมิไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นแฟนแฟนชายตั้ให้ตั้งสาลนะพรมภูมิเพราะคนไปซื้อแฟนชายเป็นคนไทย<ช> อ, อาจจะเป็นโรงงานคิวตั้นนี้ยแต่เจ้าของโรงงานคนไทยก็เชื่อในเรื่องสาลพระภูมิก็ต้องไปตั้งศาลพระภูมเพื่อความเป็นเสิทธิมงคลของโรงแรมแต่ถ้าเป็นฝรั่งน้นนูมันไม่ตั้งหรอกใช่ไหมใชม่ต้องเห็นี่นมัน <laughs> เรื่องของความเชื่อมันไม่มีมันไม่มีสาระอะไรทั้งวั เชื่อแล้วคนเชื่อต้องทำเพราะไม่ทำแล้วมันไม่สบายใจพอมีปัญหาอะนิดหน่อยโทษแล้วเนี่ยไม่มีสาระภูมเยเจ้าที่แจ้าทางมาลงโทษเราละถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยครูนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องการไม่ตั้งสาระภูมินี่แหละหรือถ้าเกิดมีอุบัติเหตุคนที่มาพักที่โรงแามตายไปทั้งคนนี่ก็โทษนะเพราะเนี่ยเพราะไม่มีสาระภูมิพอมีสาระภูมิถ้วมีก็ไม่เป็นไรไม่ไม่โทษนะ ยอยขอโอกาสครับอาจารย์แล้วอย่างถ้าเราไปเชื่อคนที่เขาไปเชื่อเรื่องสารภูมินี่ถือว่าเขามีศีลและพระตาปารามาสด้วยไหมครับก็เรื่องศีลและพระตาปารามาสใครรู้เหตุดูผลของของสิ่งี่เกิดขึ้นมาเกิดจากอะไรก็เลยไปไปเชื่อเรื่องเรื่องลี้ลับต่างๆเหล่านี้ครับอันนี้มันอยู่ที่อยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทําของเรานอะครับถ้าเราสร้างบ้านแล้วเราไม่ ไม่ลาบคอดเนี่ไม่ไม่ตอกเสาวเข็ม่ะประหยัดเสียดายเงินไม่ตอกเสาเข็มแล้วไปสร้างแบบนี้ไม่ดีเดี๋ยวมันซุดลงมาบ้านเราเอียงได้มันอยู่ที่การกระทํานะไมันด้อยู่ที่ใครครับอยู่ที่การกระทํานี่อยู่ที่ภาวะของธรรมชาติที่เราห้ามไม่ได้บางทีน้ําท่วมนี่เราก็ห้ามไม่ได้พายุเข้าอย่างนี้เราก็ห้ามไม่ได้ไฟไหม้่างนี้เราก็ห้ามไม่ได้ ถือวาเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมบังครับได้ที่เราควบคุมบางคับได้ก็คือวิธีสร้างบ้านของเราตามหลักวิชาการหรือไม่ถูกต้องหรือไม่คุณนารินครับการที่เราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เมื่อเดินทางผ่านไปเห็นรูปปั้นทเวทวสุวรรณแล้วเราไหว้ท่านจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นเราก็เคารพได้ การการไหว้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องอ่ใครกับหลักธรรมใจอย่างใดเพราะหนักธรรมว่าสอนใเรามีสัมมาคาราวะกับบุคคลที่สมควรที่เราจะควรจะเคารพเช่นผู้ที่สูงกว่าเราผู้ที่มีพระคุณกับเราเช่นครูที่โรงเรียนแล้วก็ไหว้ครูที่โรงเรียนพ่อแม่เราก็ไหว้เพราะถ้ามีพระคุณกับเราคนที่เข้ารู้สึกว่าเราเราก็ไหว้เขาใช่ไหมที่เรา พี่ป้านะอาหรือใครที่ต้องแก่เราเราต้องไหว้ขอันนี้ก็เป็นเรื่องการว่าแบบนี้ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ิที่คําว่าบูชานีหมายถึงให้ถือว่าเป็นอาจารย์คําว่าบูชา พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่คือให้ถือ พ, อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นครูคเป็นอาจารย์ทําตามคําสอนคำสอนของท่านอยากไปทําตามคำสอนของสอนของคนอื่นที่ขัดกับหลักธรรมถ้าคาสอนของคนอื่นไม่ใครกับหลักธรรมก็ทําได้ เป็นหมอไปเรียนวิชาหมอเนี่ยมันไม่ขัดกับหลักธรรมก็เรียนได้ในวิชาแพทย์มารักษาร่างกายนี่ทําได้แต่ถ้าไปถ้าไปเรียนข้อสอนวิธีฆ่าคนตายเนี่ยก็ทําไม่ได้เช่นต่อไปข้าอาจารย์อนุญาตให้หมอฆ่าฆ่าคนไข้ได้หมอจะทํำไหมไม่ทำ <laughs> ว่ามีประเทศบางประเทศนี่ก็ออกกฎหมายให้หมออให้ยาให้ค่อยฆ่ายตายได้ล่ะสิจะเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะ อนี้มีการท่องเที่ยวแบบไปตายกันที่เซอร์เบีเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งนะอย่าง น, น, างนี้คนที่อยู่ในประเทศของเขากฎหมายห้ามไม่ให้หมอช่วยทําให้เขาตายเขาก็เลยต้องไปตายที่ประเทศอื่นออันนี้ขัดกําหลักหลักธรรมคำสอนของพระเจ้านะถ้าเป็นหมอแล้วใช้อาชีพนี้เป็นการฆ่าผู้อื่นนี้ก็จะว่าผิดผิดศีลเนี่ยผิด ถ้าช่วยชีวิตนี้ไม่ถือว่าไม่ถือว่าผิดศีลถือว่าเป็นเม่ตาครับช่วยมันเทาทุกเป็นความการลยาณ์บรรเท า, ามทุกข์ของผู้อื่นให้เขาหาจากทุกข์นี่ก็เรียกว่าเป็นความกาัลยาณ์ทำได้เน้นงานบูชานี่หมายถึงบูชาในแบบถือเป็นผู้สั่ผู้สอนเรา <c oughs> แต่ถ้าบูชาแบบการห ให้ความเคารพแบบนับถือกันตามธรรมดาตามธรรมเนียมของสังคมก็ทําได้ไหว่าใครก็ได้ไหว้สุนัขก็ได้แล้วเราอยากจะไหวถ้ถ้าเราคิดว่าสุนัขมันฉลายก็เราก็ไหา้มันก็ได้ต่มันส อ, อนเราได้ไหมครับ <c oughs> คุณนันพัฒน์ครับขอาการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการดูว่าเราควรจะคบใครต่อไป เราสามารถดูได้ไหมคะว่าถ้าเขามาบั่นทอนทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานของเราทําให้จิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองเราก็ไม่ควรจะคบต่อไปใช่อะไรที่มันมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของเราเราก็ควรที่จะคนที่จะคำจัดหรือคนที่จะดิกเลี่ยงอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยนายแต่งานปฏิบัติธรรมขั้นตัก็ถ้าเป็นถ้าบารากายเป็นการบั่นทอนการปฏิบัติธรรมขั้นสูงล้วก็ต้องไม่ทำ ฉั น, ไ, ปป น, นได้เราไปปีกเว่เว่อยู่แล้วแล้วคนก็มาชวนให้เราไปทอดกระถิ่นเราก็อยากไปเพราะว่าทอดกระถิ่นนี่มันเป็นบุญท่านขั้นต่ำฝักบุญที่เราได้จากการภาวนาการไปปีกเว่คุณฟิลนาครับมีเหตุการณ์โดนโกงเงินโกงสินค้าเสียหายหลายแสนแต่เราให้อภัยทานเขาไปไม่ทวงถามหรือฟ้องร้อง ใ, ใดๆคิดว่าทําบุญทําทานไปคิดแบบนี้ถูกไหมคะ สบายใจไหมล่ะ <c oughs> ดีกว่าไปฟ้องน้อกันจอมเวรจอมกรรมกั น, กนเป็นศัตรูกันใช่ไหมสมพรครับโยมมีโทสะจริตง่ายคือเกิดอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวในสิ่งที่มากระทบใจได้ง่ายมากเสมือนวุฒธธิภาวะทางอารมณ์หรือ EQ ของโยมยังอ่อนกำลังอยู่มากโยมควรต้องปรับปรุงพัฒนาไม่ให้เกิดโทสะอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายน้อมกราบคแนะนาพระอาจารย์ครับโยมมีความอยากมาก ทำต้องอยากมากมันก็เลยทําให้หงุดหงิดง่ายจู้จี้จุกจิกคนจู้จี้จุกจิกนี่จะฉุนเฉียวง่ายพอไม่ได้แรงใจอย่างาก่อนยังต้องเปลี่ยนทัศนาคติใหม่อย่าจู้จี้จุกจิกมากเกินไปัดให้เขามาสั่โเดยิยินดีตามมีตามเกิดนะฉักไว้เวียวเจ้าเขาเข้าวผัดมาให้เขากินก็กินได้เหมือ น, นกันนะจบยังก็จะไม่โกรธไม่ฉวนเฉียว แต่ถ้าบอกว่วต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวถ้าต้อเป็นข้าวผัดอย่างเดียวเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ไม่ได้เอากลับไปเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปไปลาวกันี่ไม่ดีถ้าเราบอกว่าตีกันอีกงั้นใช้คําว่าสันโดษดีกว่านะฝึกสันโดษแล้วอาการชุนเชื่อต่างๆมันจะลดน้อยลงไปมากเลยคุณประชาครับ เคยได้ยินคําสอนว่าเสียทรัพย์รักษาอวัยวะเสียอวัยวะรักษาชีวิตเสียชีวิตรักษาคุณธรรมสงสัยว่าคําสอนนี้มีในคําสอนพุทธศาสนาหรือไม่ถ้ามีคุณธรรมระดับใดที่ควรรักษาแลกกับชีวิตครับ <c oughs> มีคือท่านเปรียบเทียบคุณค่าของทรัพย์กับอวัยวะกับชีวิตกับธรรมะเนี่ยมันมีคุณค่ามากน้อยต่างกันคุณค่าต่ำสุดก็คือทรัพย์ คุณค่าที่สูงกว่าก็คืออวัยวะคุณค่าที่สูงกว่าอวัยวะก็คือชีวิตคุณค่าที่สูงกว่าชีวิตก็คือคุณธรรมคุณธรรมก็คือขั้นศีลธรรมนี่เองขั้นต่ำคือศีลธรรมเพราะว่าถ้าเราไปรักษาชีวิตด้วยการกระทำบาปนีเราจะเสียสเสียสภาพจิตใจดึงจิตใจให้ลงลงต่ำจากการเป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้ให้กลายเป็นสัตว์ดเดรจเัจฉานไป พอตายไปเราต้องไปชดใช้กรรมอย่างน้อยก็เป็นสัตว์แต่ละฉานหรือถ้าข้ามฆ่าผู้มีพระคุณก็ไปใช้กรรมในนรกเยอันนี้เรื่องของระดับศีลธรรมราก็สูงเหมือนนั้นได้ถ้าเราต้องการรักษาความสงบก็ร ะ, ะ, ะดับสมาธิได้ถ้าเราต้องการรักษาระดับปัญญาเรา ก, ก็ก็ได้เหมือนกันเสียชีวิตบางที อย่างพ ร, โกกระโกบาล น, นี้สั้นยาวให้เข้ามาฆ่าท่านตายเพราะท่านไม่ต้องการที่จะมีไม่ทต้องรู้ว่าท่านนีหนีกรรมไม่พ้นเมื่อถึงเวลามันจะต้องเกิดท่านก็เลยะยอมตายถ้าท่า น, ท, านท่านใช้อิทธิฤ์หนีได้แต่ท่านบอกว่าท่านหนีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่คุณมาริสาครับอยากเดินถามพระอาจารย์ค่ะบางคนนะอายุมากแล้วแต่วุฒิภาวะทางอารมณ์เหมือนเด็ก ทารกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้กิเลสราคะโทสะโมหะมากขึ้นทุกวันถ้าอยู่ร่วมกันกับคนอย่างนี้ต้องใช้หลักธรรมข้อไหนเจ้าคะก็คิดว่าอยู่กับเด็กทารล้วเอ๊ะแล้วเขาเป็นเด็กทาลรกเองแล้วไปคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เองในเมื่อตัวที่เป็นทารม ก, ก็คือใจใช่ไหมร่างกายมันใหญ่ก็ตามแต่ร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวที่เป็นปัญหานี้ตัวที่เป็นปัญหาก็คือใจ ใจตอนนี้เป็นทารแล้วก็ต้องถือว่าเขาเป็ น, นเด็กทารกอย่าไปถือสาเขาเท่านั้นเองยังไม่ได้เวลาเด็จุเด็กงอแ ง, งเด็กร้องไห้เด็กอะไรเราไม่เราไม่ไปโกรธเขาใช่ไหมมันเดื่ของเขาปล่อยเขาล็อกไปเด็เขาก็หายเองคำ ถ, ถามนี้ไม่ไปส่งออกนามครับอาจารย์ครับถ้าเราทํางานประจําแล้วได้รับมอบหมายงานที่เราไม่ถนัด ถึงเราพยายามแล้วแต่ด้วยข้อจํากัดเรื่องอายุเนื่องจากเทคโนโลยียุคนี้ไปเร็วมากจะถือว่าเราเป็นหนี้องค์ก ร, รที่จ่ายเงินเดือนให้เราไหมครับไม่หรอกถ้าเขามอบหมายให้กับเราแล้วมาทำไปทํามกำลางความสามารถของเราไปถ้าก็เห็นว่าเราทําไม่ได้ดีเขากา จ, จะเปลี่ยนคนอื่นมาทำแทนก็ได้แล้วก็อาจจะให้เราออกก็ได้ความนี้เพราะว่าเราไม่มีประโยชน์กับองค์ก ร, รแล้วเขาก็จะเก็บเราไว้ทําไมใช่ไหม นอกจากว่ามันเป็นทางราชการมีกฎมีระเบียบห้ามไม่ออกนี้เขาก็เ้อไปปล่อยเราอยู่ต่อไปคุณภูวนาศครับสติกับสติสัมปชัญญะต่างกันตรงไหนครับอาจารย์สติสัมปชัญญะก็คือสติที่ต่อเนื่องเนี่ยไม่พังเผอคือกํำลังอยู่พุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ผ่อนไปคิดเรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้นั่นก็มีสติสัมปชัญญะ ถ้ามีสติอย่างนี้นี่เพิ่สติปุ๊บเนี่ยพอเผิ่มสติแคหายไปคุณทัศนาครับการเรียนถามครับเวลาที่ไปทําบุญมาแล้วบอกว่าเอาบุญมาฝากเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆจะได้รับบุญด้วยไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกถ้าได้ก็ไม่ต้องไปทําเองให้เราคนอื่นไปทําแทนเราเก็ <S <S บเงินไปเที่ยวไปกินไปเดื่มเอาเงินทําบุญให้คนอื่นเข้าไปทำเสร็จแล้วก็ามาฝากเรา นี้ก็ดีใช่นะครับคุณสมพรครับในการชักชวนเพื่อนพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญเช่นกรถิน่นพระป่าสามัคคี <c oughs> ว่ากันว่าจะเสริมให้มีบริวารอันเนื่องมาจากได้มีการชักชวนเพื่อนร่วมทําบุญโยไม่กล้าไม่ชอบเได้ไลคคนร่วมทําบุญเสมือนโยไปรบกวนคนเหล่านั้นแทนจะได้บุญกลายเป็นไปรบกวนเขาหรือเปล่าสรุปคือโยไม่ค่อยจะกล้าได้ไลค์ให้คนร่วมทําบุญต่างๆนะักอย่างนี้ คาแนะนำครับถูกต้องแล้วการเรียนลายนี่เป็นการบังคับซึ่งไม่ไมดีเพราะคนที่บางทีก็ไม่พร้อมที่จะทําทบุนก็อาจจะถูกบังคับให้ทําเพราะด้วยความเกรงใจว่าเราอาจจะเป็นเจ้านายเขานรืเป็นมีให้คุณให้โทษกับเขาได้พอเราไปเรียลายเขาเขาก็ต้องทำอย่างนี้ไม่ถูกแต่บอกบุญได้นะแต่อย่าไปเรียรายอาจจะติดประกาศไว้ที่สํานักที่ทาํางานว่าวันที่สิบ้านี้มีบุญกรถินที่วัดนึงวันวนี้น ทันนี้ก็บอกถ้าใครก็สนใจก็อาจจะมาถามใครไปบ้างพี่ไปหรือเปล่าในทำนองนี้อันนี้เป็นการเรื่องเอาเป็นการบอกบุญบอกบุญได้แต่เป็นการเรียกรายแจกทองมาถินนี่ไม่ไม่ถูกไม่ควรเพราะเกินเป็นการบังคับแล้วก็จะทำให้คแทนี้ก็จะชอบแล้วก็อาจจะเบื่อขี้หน้าาไม่อยากจะเจอหน้ากัน มาเรีลยลขอเรื่อยมันเป็นการขอ่การเรียลยก็คือการขอดีๆนี่ยิ่อยากขออย่ากเรียลยแต่บอกบุญได้อาจจะพูยมาปีนี้ผมจะไปเป็นจะพ า, าพี่กลัถินที่วันนี้วันนั้นนะถ้าไม่มีคนถามถ้ามีคนถามถาหรือถ้าไม่อยากจะบอกก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องบอกบุญก็ได้แต่ถ้ามีใครถามก็บอกเขาก็ได้แได้ว่าก็อยากจะทำเรื่องกับเราเขาถึงถามแล้ว พี่ปีนี้จะไปทาตุถินที่ไหนล่างเมันก็เห็นว่าเราธาตุถินทุกปีแต่บางทีเขาไปเข้าไปที่ไหนตามลำพันธ์มันก็ไม่รู้จะไปไหนดีนะเขาไม่รู้จักใครเขาก็อยากจะไปกับคนที่เขารู้จักด้วยหรือถ้าเขาไปไม่ได้ก็อยา่างนั้นจะได้ฝากเงินไปทําบุญด้วยก็ได้นั่บอกบุญได้แต่ั้นต้องรู้จักการละเทสะเราไม่รู้ว่ามันไม่เป็นการไปรบกวนเขาแล้วกันไม่เป็นการไปบังคับครับ คุณเดดครับในสมัยนี้อยู่แบบครอบครัวและสังคมแวดล้อมต่างๆแบบนี้การบรรลุธรรมสูงสุดคงทำได้ยากไหมครับยากตั้งแต่สมัยพุทธการแล้วนะคนที่บรุษุธรรมส่วนใหญ่เก้า้า้าเซนี้ไปบวชกันทั้งนั้นคุณมาแย้วครับกล้ากัผมชอบสมาธิแต่เมื่อออกมาจะมีโทสะมากกล้าต้องฝึกสติแบบไหนขอรับท่านอาจารย์ก็ฝึกก็ฝึกต่อไง อราจะมาสมาธิต่อกระพุโทโธพุโทโธต่ออย่าปล่อยให้ใจเกิดความอยากขึ้นมาพาอยากแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้หลังใจอยากมันก็จะตกก็ต้องคุมใจตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นต้องฝึกสมาต้องฝึกสติทั้งวันคุณสมพรครับพระอริยสงฆ์เฉพาะยิ่งพระอรหรันดูใบหน้าท่านอิ่มเอมท่านมีใบหน้าเมตายิ่งเหล่านี้เกิดจากสาเหตุอะไรหรือครับ เพราะท่านมีความสุขเนี่ยเวลา ม, มีความสุขมันก็อิ่มเอิบใจใจอิ่มเอิบใจมันก็สนแสดงมาทําสีหน้าสังเกตเวลาฉลองวันเกิดนี่คนที่เป็นเจ้าของวันเกิดเนี่ยยิ้มแย้มไปๆๆเวลาแต่งงานเนี่ยิ้มแย้มเพราะใจมีความสุขใามันมีความสุขชั่วคาทันสำหรับทางโลกแต่สําหรับทางธรรมนี่ท่านยิ้มยามตลอดยี่สบสี่ขึ้นมาเจ็ดวันเตอะ ตลอดทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่มีวันสิ้นสุดนั่นคือความสุขของพระ น, นิพพานความสุขของพระนะไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวสุขตลอดเวลาอย่างที่เคยเล่าฟังมีเศรษฐีคนหนึ่งมาบวชมันบวชพอบรรลุเป็นพระหลังแล้วเดินไปหลายกระบอคุณนตาสุขเนอสุขหนอสุขเนอจนพระสงสัยว่าเพอเจ้อหรือเปล่าไม่มีสติหรือเปล่า ก็เลยไปภาพไปฟ้องผูท้เจ้าพูา้ท้เจ้าอะไรเรี่ยไปมามาสอบถามว่าท่านเป็นยังไงเลยได้ถามว่าพระเจ้าเละไม่มีสติเลยเออ ไ, มไม่ไม่ได้ครับผมเพียงแต่มีความสุขมากผมเลยอดที่จะลองพึ่งร้อพัน 9, ออกมาไม่ได้เพราะว่าสมัยที่ผมเป็นเศรษฐีมินคารว่าที่ผมมีงเงินเยอะแต่ผมกลับไม่มีความสุขแบบนี้เลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดกับเรื่องเงินทองแต่พอมาได้บวชได้บนรลุ ได้กำจัด ก, กิเลสเหมืนนอนไปจากใจแล้วใจผมนี่มีแต่ความสุขกว่าเวลาจนกระทั่งผมมีความประทับใจจนกระทั่งห้ามมันห้ามมันไม่ได้มันถึงนําพึงนำพาออกมาท่านี้ไม่เป็นไรพระเจ้าสแาว์ท่านมีสติ น, นี่แหละคือความสุขของพระหลานเมื่อที่มันมันน้นออกมาทางทางร่างกายมันเปลี่ยนอยู่ในใจ ส่วนของคารวาก็มีเป็นช่วงๆใช่ไหมช่วงวงันไหนช่วงปีใหม่ที่ก็จะลองเงินทีเงินเดือนเอาสิ้นเดือนทีก็ยิ้มกันทั่วหน้าทีหนึ่งอต่เวลาอื่นก็เคร่งเครดกับการทํางานเข้่งเครกับการจ่ายหนี้สินเข้่งเครกับเรื่องราวต่างๆมันไม่มีความสุขตลอดเวลาคุณจิรศรดาครับ กาบเรียนถามค่ะระหว่างราคาโมหะและโทสะสิ่งใดละยากกว่ากันคะก็โมหนะเพราะโมหะเป็นต้น ต, ต่อของราคาของโทสะการที่จะละราคะโทสะได้ก็ต้องละโมหะได้ได้ก่อนนะละโมหะไม่ได้ก็ละราคาละโทสะไม่ได้ยิ่งต้องศึกษาธรรมะนะธรรมะเป็นวิชาที่จะมาสอนให้โมหะหายไปจากใจให้หายหลง พอหายลงแล้วพอรู้ว่าแมวเป็นแมวหมาเป็นหมาก็จะได้ไม่ระจับผิดจับถูกกันคุณเด็ดครับการที่คนคิดว่าตายไปแล้วเป็นวิญญาณออกไปเข้าร่างอื่นคือความคิดแบบมีตัวตนหรือไม่ครับเพราะจิตรับรู้เป็นนามธรรมเหมือนเปลวไฟของเทียนมีขึ้นก็ความเหมาะสมเป็นธรรมชาติและก็เหมือนน้าที่เกิดจาก H2O คือจิตมันไม่มันไม่มีตัวตนวิญญาณนไม่มีตัวตนมันเป็นธรรมชาติอย่างเหมน ผู้รู้ผู้คิดนั้นเวลามไปเข้าร่างอื่เวลาไปเกิดใหม่มันก็เป็นเรื่องของของการไปจุติและของการไปปฏิสนธิไปเกิดใหม่เวลาออกจากร่างนี่เขาเรียกว่าจุดตินะเวลามิญญานออกจากร่างนี่เขาเรียกกิตติแล้วเวลาไปเข้าร่างใหม่เขาเรียกว่าปฏิสนธิครับมีคุณพรเพนคอมเมนต์มาบอกว่าใช่ปวดเจีย๊ยมไหมครับรอาจารย์ที่มาบุบเบิ้ ไม่ใช่นั้นเป็นปูเจยมาก่อนแต่ปูเจีย๊ยท่านไม่ได้ขึ้นเปบนเขาท่านอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ข้างล่างอยู่อยู่สองสองพรรษาต่อหลังท่านก็จากไปอยู่ตั้งแต่ก่อนที่จะวัดจะสร้างโบสถ์สารที่เห็นที่ท่านไปกรับเพราะว่าเวลาสร้างโบสถ์คณะกรรมาการลูกศิษวัดลูกสิกสกสกสษย์ของเด็จท่านเชื่อเรื่องวงจุย้ยท่านเลยให้เซียนมาชี้ที่สร้างโบสถ์เซียนก็ไปชีที่กุฏิของหลวงปูเจยพอดี <laughs> แต่เขาก็เลยขอขอรือกุฏิท่าก็สร้างโบสถ์ท่านก็เลยฉุดเราไม่อยู่ดีกว่าวันนี้มันเชื่ออะไรวะอ๋ออ๋อตำแหน่งโบสถ์นั้นคือกุฏิเก่าหรือพกุฏิแยกอะไรนะมันมีกระถาบอยู่ฐานะันเป็นที่ที่ตั้งกุฏิพรงแล้วตอนหลังก็แยกแบ่งเขตย้ายไปอีกอีกทางเขตที่สร้างโบสถ์ก็เรื่อยๆเปนเขตเขตพุทธาวาสไป เป็นที่ตั้งถาวแล้ววัตถุสาราคุติอะไรก็สาราบดเจดียต่างก็เรียกว่าพุทธาวาสชนเขตที่อยู่ภาคนก็เรียกสังขาวาสก็ยากไปอีกนิดที่ว่านได้มีอยู่4เขตด้วยกันนะ <Okay. S 1> มีเขตพุทธาวาสก็คือที่ตั้งทาวแล้ววัตถุเช่นโบดเจดีสาราต่างๆแล้วก็มีสังขาวาสก็ที่อยู่ของภาสองเป็นกุติ ได้เขียนึงยน่งก็เขตของคาลาวาที่สัตายานย่อมโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมมาอยู่ปฏิบัติกันแล้วก็มีเขียนที่สี่ก็มีมีพระตําหนักของในหลวงเราเด็กพระยาสังวรสร้างพระตําหนักถวายให้ได้หลวงเวลาที่ในหลงเสด็จมาทรงงานที่ที่วัดใหญ่ก็จะได้ที่ประทับแต่ถ้าไม่เกิดมาคา้คางมาค้างมาประทับชั่วคราวอยู่วันอยู่ค้างหนึ่งตอนที่ท่านมาเสด็จท่าน กิจกรรมที่วัดยางนี้มีโครงการก็หนาต่างอไอะไรต่างๆที่ท่านต้องมาดูแลติดตามก็เลยมีสี่สี่สีเขตด้วยกันในวัดยาเนี้พุทธาวาดสังฆาวาดคารวาดและก็ราชาวาดคุณนารินครับเคยไปเห็นร้านเขตราชาวาดอยู่อยู่ข้างหลังพระเจดียผมเคยไปนะเคยไปเห็นพระพระตำหน ครับทั้ง น, นั้นเป็นราชาว่าตอนนั้นพี่ชุมพรพาไปพาไปไมชมครั บ, ค, รบคุณนารินครับการกราบพระสงฆ์บางรูปด้วยความจาเป็นเพื่อแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อท่านแต่ไม่สนิทใจกราบจะเป็นบาปเป็นเวรกรรมไหมคะไม่เป็นหรอกมันเป็นเรื่องของมารายาทเคย ก, การกราบไม่กราบได้เพราะมารายาทเพราะสังคมเป็นการดู้สังคม เราไปอยู่ในสังคมไหนถ้าเราเข้าไปในสุล่าเขาให้เราทําประมาแล้วก็ต้องทํำละหมาดถ้าเราเข้าไปถ้าเราไปบวชคือเขาให้เขาให้นั่งคุกเข่าภาวนาเร า, าก็ต้องนั่งคุกเขาาา่าภาวนาก็แสดงความเคารพในสถานที่แต่ใจเราก็ไม่ได้มีความเชื่อมเชื่ออะไรใ น, ในพิธีกรรมเหล่านั้นทําไปเพื่อไม่ให้เสียมา ร, รยาทไม่งี้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมอะไรถือว่าเป็นปัญญาเป็นเป็นความรู้เป็นผู้รู้ รู้รู้รู้สังคมเนีเดี๋ยวมันเป็นผู้รู้สังคมรู้บุคคลบุคคลที่เราควรกราบหรือไม่ควรกราบถ้าไปกราบเด็กเนี่ยมันก็แสดงว่าไม่รู้สไม่รู้ไม่รู้บุคคลไปกราบคนที่เขาต่ า, างกันพระสงฆ์เราถือว่าท่านสูงก ว, ว่าเราถึงแม้ว่ามาพูดของท่านอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านเป็เรื่องที่ฐานะท่านเป็นพระสงฆ์เราก็ต้องแสดงความเคารพไป ถ้าเราจำเป็นจะต้องไปอยู่ในสถานที่นั้นจาต้องมีการแสดงความเคารพเราก็ต้องแสดงความเคารพไปครับมันที่ฝรั่งเขาพูดว่ามัน enroll ดูวัตถารมันดูอ๋อครับเมื่อไปอยู่กรุงรูมก็ต้องทำตามชาวชาวโรมันชาวโรมันก็าทำมาแล้วก็ทำตามเขาครับอันนี้เรียกว่มามารายาทมีคุชัด ดิสคัสมต่อครับอาจารย์เรียนลำดับพระที่มาปลุกเบิกคือหลวงปู่เจียหลวงปู่หวันแล้วพระอาจารย์สุ ช, ชาติอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เราไม่ได้มาปลุกเบิเรามาสอนยอดถ้ามือนเขาก็มีหลวงปู่หวันคนเดียวพอท่านท่านอยู่ได้ไม่นานท่านก็ไปท่านท่านท่านก็รู้สึกว่าไม่ถูกจริญกับวัฏจันเพราะวัฏจันี้มีมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่มันไม่มันไม่มไมสปายะมันไม่ไปในแชิงวัดป่าทีเดียว มันมีแบบวัน ม, มาประสมด้วยมันมีฟองจุ้ยมาผสมด้วยมีอะไรไหลายเรื่อง ห, หลายราวปนกันอครก็เลยไม่สะดวกใจแต่เราไม่ได้มาเพื่อที่จะมาสั่งสอนใครไม่มาที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรใครแล้วก็อยู่ไปเขาจะชื่ออะไรเขาจะทําอะไรแล้วมันก็เรื่องของเขาไปเราอยู่แบบทา้งเครื่องเราไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามาอยู่แบบโฮเครื่องมันลาบากใจเหมือนกันเราไม่สามารถที่จ ะ, ะดึงให้เรือไปในที่ทำเดียวกันได้ ท่านก็เไปดิค่ะน้องปูเ่เจ๊ท่านก็ไปเพราะไม่สามารถที่จะดึงให้ไปในทางกรรมฐานได้สาเหตุที่หลวงจุบูเจี๊ยไปเพราะ ส, สมเด็จท่านนิมนไปเพราะเห็นว่าท่านเป็นพระพระอริยนะท่านเป็นพระเจตนานะของสมเด็จสร้างวัดยา น, นี้อยากให้เป็นพระป่าแต่กระแสของการอยากจะสร้างให้เป็นวัดบ้านนี่มันมากกว่าสมเด็จท่านก็เลยต้องออดตามวัดวัดวัดยานะการที่จะเป็นวัดป่าและการเป็นวัดบ้านไป เพีแต่ว่าช่วงเตที่หวลวงปู่วรรณท่านรู้ท่านก็เลยไปไ ป, ไปยากส่วนหนึ่งให้เพื่อนไปอยู่บนเขาแทนใครอยากจะปฏิบัติตามคำเนียมวัดป่าก็ขึ้นไปอยู่บนเขาคุณพัทระครับการเรียนพระอาจารย์ครับกระผมเข้าใจว่าสภาวะที่เรานึกคิดเรื่องต่างๆโดยขาสตินั้นจะเรียกว่าถูกโมกโมคะครอบงำโมหะครอบงำใช่หรือไม่ครับ มโมหันนี้มันครอบงำใจเราตลอดเวลานออย่เออมันทําให้เราไม่มีสติแต่พอเราเริ่มมีสติแล้วเราก็จะเริ่มเร่ทําให้มโมหันนี้มันเออบากําลังลงแต่ยังไม่ไม่ได้ทําให้มันตายพอเรามีสติมากขึ้นมนก า, นากขึ้นโมหะก็จะทํางานได้ยากขึ้นยากขึ้นเพราะโมหะมันใช้ความคิดปุ่งแต่งปันขึ้น่อ้มือในการทํางาน พอเราใช้สติคอย ค, บคอยวบคุมความคิดแม่มันคิดมันก็เลยทำให้โมหะทำงานไม่สนุกคุณเดอะมอร์นิงสตาร์ครับปกติเวลานั่งสมาธิจะดูลมค่ะมีปัญหาปวดท้องเรื้อรังมานานแม้ไม่นั่งสมาธิก็ปวดเวลานั่งสมาธิไม่สามารถนั่งได้นานเกินครึ่งชั่วโมงเพราะปวดมากปกติทั้งวันก็พยายามเจริญสติให้ต่อนเนื่องอยู่ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยแนะนาเวลาปวดมากๆด้วยค่ะ ควรเปลี่ยนมาเป็นพุทโธจะดีกว่าไหมคะรู้สึกว่าคําบริกรรมจะจะดีกว่านะเพราะจะดึงจิตให้อยู่กับผู้เบกขาได้ได้มั่นคงกว่าการดูลงเน้นถ้าเกิดเวลาที่ดูลงไม่ได้ก็ใช้คำวิริยกรรมไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้อย่าให้ใจไปคิดถึงความเจ็บแล้วความเจ็บจะไม่เข้ามาในใจแล้วใจก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์กับความเจ็บก็จะอยู่กับความเจ็บได้ ร่าจะสงบได้ด้วยใจการจะสงบลงด้วยมีคําบริกรรมนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเวลาที่เจอความเจ็บความปวดแล้วเจอความตายอย่างเนี้ยเราใช้คําบริกรรมจะดีความดูลงคุณพระธรณ์นัยครับที่วัดยานาสังวรารามโครงการบวชภาคฤดูร้อนใหม่ครับช่วงโควิดนี้เขาหยุดไปเพราะว่าโรงเรียนเขา ในคือโรงเรียนผู้รู้นสมเหตุภาษาบาลเนี่ยเข้ามีโครงการบวช ท, ท, ท, ทุกทุกทุกภาคกันดูรอนโรง เ, เรียนจะปิดปิดเทอมก่อนที่จะปล่อยให้เด็กกลับบ้านก็จะมาบวชเนี่ยสิบห้าวันก่อนแต่ให้ให้ให้เด็กนักเรียนปีแรกเนี่ยม .1 แล้วส่วนพวกที่ม .2 ม .3 เ น, นี่ยให้มาเป็นพี่เลี้ยงเพราะไม่ได้บวชมาก่อนแล้วให้บวชสิบห้าวันก่อนที่จะก่อนที่จะปล่อยให้กลับบ้าน ในช่วงโควิดนี่มันทําไม่ได้เรากลั ว, วจะแพร่เชื้อกันว่ากลัวจะติดเชื้อกันเรายังไม่ทราบว่าปีหน้านี้จะจะมีการบ ห, หรือไม่มีคุณจิสนุพงศ์ถามบอกว่าถ้าบวชที่วัดยานขึ้นไปปฏิบัติบนเขาได้ไหมครับเมื่อก่อนนี่ได้แต่ตอนนี้มีเจ้าวาดที่ท่านไม่ไม่ไม่ยินดีกับการปฏิบัติเพราะท่านทําการให้สฉุดมอนไม้พระเรียนปริญญาตรีก่อน คุณสุภาพรครับถ้าเรามีโทสะแล้วรู้ตัวใช้เวลาปิดวาจาเดินหนีแล้วยังรู้ว่าโกรธความใช้พุโทโธต่อไปไหมคะได้ควรจะใช้พุดโธไปเรื่อยๆให้เราลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธพอเราลืมแล้วความโกรธก็จะหายไปคุณ NSKR ครับเพิ่งเริ่มปฏิบัติโมหะกิเลสเยอะมากอยากสงบอยากจิตรวมรู้ตัวเลยว่าเป็นทุกข์ทําอย่างไรจะกําจัดกิเลสนี้ได้ครับ ก็ต้องทาตามขั้นตอนก็คือให้ฝึกสติไปก่อนถ้ามีสติแล้วความสงบก็จะตามมาอย่าไปอยากอยากเฉยๆแล้วไม่ทํามันก็ยิจะทำให้ทุกข์วิธีนี้ทําให้ไม่ทุกข์ก็คือให้เราจดัดระดสติไปเรื่อยๆก่อนคุณนุ้ยครับกล่าวบนพกา ร, กการครับรอาจารย์ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายทำเกี่ยวกับกรรมจัดสรรค์่ให้เข้าใจง่ายครับ ที่เราพูดเนั่นคือธรรมะจัดสรรคือธรรมะก็คือว่าอก็คือเวลามีความจําเป็นอะไรธรรมะก็จะเป็นผู้ที่จัดการให้กับเราเองเช่นเวลาที่เรามีความจำเป็นที่จะบวชธรรมะก็จะจัดสรรหาทิศทาาหาที่าทาทบวชให้กับเราเองครับโดยที่เราก็ขนขวายด้วยแเราก็กดคว้าด้วยแล้วธรรมะก็จะเป็นผู้ที่จะ มีส่วนร่วมให้เราได้ได้บวชที่ไหนอะไรทำนองนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะแลัวอาจจะไม่ได้เป็นความจริงก็ได้ที่ว่าเราคือชีวิตเรามี่เราไม่ก็จะเป็นวงแผนยนะึดมั่นถือมั่นกับมันนะเราปล่อยให้มันเป็นไปตามตามมีตามเกิดเนะี่ยเขาว่าธรรมจักรสัก็คือการยินดีตามมีตามเกิดเนะี่ยคุณนักพัฒสอนครับการเห็นไตรักษณ์คือ ก็ต้องคิดบ่อยๆคิดเจรจาบ่อยๆ ค, คิดเรื่องตายรักคิดเรื่องการกจาคือว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเชน่นราชยศสรเสริญนี่ไม่แน่นอนเงินทองนี่มันไม่แ น, น, น่อ น, นอนบางทีก็ไหลเข้ามาบางทีก็ไหลออกไปบางทีก็รวยบางทีก็จนให้คิดอย่างนี้เรียกว่าไม่แน่นอนยศตําแหน่งก็ไม่แน่นอนนะเป็นนายยศได้กี่ปีเดี๋ยวก็หมดหมดวาละแลเดี๋ยต้องเลือกตั้งไป คราวหน้ามันจะกลับมาได้เป็นรายกใหม่หรือเปล่ามันไม่แน่นอนัมนไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งทุงอยา่างนะแต่เปลี่ยนแปลงไ ป, ปเรื่อยๆแม้แต่พระราชีนีอังกิตก็ยังซึ้นสิ้นพระชนได้ก็จะมี พ, พ, พ, พระพระพระกระสับองค์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาแล้วกระสรับองค์ใหม่ก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่มันไม่มีอะไรแน่นอนให้มองอย่างนี้เรียกว่ามิติจัดถ้าอยากให้มันแน่นอนแล้วก็จะทุกข์ว่ามันมัน เราไม่สามารถไปรังคาให้มันได้นอนได้เพราะมันเป็นอ น, นัตาตาคุณนานาครับเราจะวางใจอย่างไรถ้ามีคนมาระรานเราหรือมีความตั้งใจที่จะแย่งลูกค้าเราครับพระอาจารย์พยายามทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วต่างคนต่างอยู่ก็แล้วช่วยชี้ทางด้วยค่ะก็อย่างถ้าทำถูก อ, อะไรไปไหน เ, เราต้องยอมรับผากจริงต้องทำใจให้เราไปห้ามเขาไม่ได้ ทีวิตก็คือการแข่งขันอย่งนั้นเองขออีกสักข้อนะครับอาจารย์ครับเวลาพอดีแล้วครับคุณปจัจจพง์ครับจเจริญสติเข้าสมาธิแล้วสงบพอสมาธิคลายก็พลิกเป็นตัวรู้อาการไตลักษณ์ปรากฏอันนี้เข้าใจตรงไหมครับตรงที่พลิกเป็นตัวรู้นี่ไม่ไม่ตรงไม่ถู ว่อาการตายลักนี้ต้องศึกษาถึงจะปกปิดมาได้ต้องพิจารณาอย่างที่พูดเนี่ยต้องพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นอย่างไรแในร่างกายเราเทีงแท้แน่นอนหรือไม่จะเป็นจะตายเมื่อไหรเรากำหนดได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ครก็คือทำมันไม่แน่นอนต้องใช้ใช้การวิเคราะห์ใช้การพิจารณาใช้การวิจัยเรียกว่าเป็นการจเจริตายลัก อาจารย์ครับของกะลิศข้อนะครับคนนี้ถามเรื่องคุณแม่ครับพยายามมีสติเวลาดูแลแม่อายุมากแต่แม่ดือ้อชอบไปทําอะไรที่เสี่ยงอันตรายล้มบ่อยต้องพาไปโรงพยาบาลแม่ไม่ให้ความร่วมมือจนทําให้สติหลุดบ่อยๆพยายามให้เหตุผลว่าอยาเสี่ยงทําให้เราเครียดมากและทาให้ไม่มีเวลาของตัวเองเลยการภาวนาะไม่ก้าวหน้าจะทําอย่างไรดีคะคือเราต้องเปลี่ยนทัศนคติของเราต่อพ่อแม่นะเราต้องมองตัวเราว่าเป็นคนรับใช้ เราคอยรับใช้ท่านคอยสัง่งให้ท่านสัง่งให้ท่านบอกเราเราไม่เราไปสัง่งไปบอกท่านเรืออาจจะบอกได้ก็เพียงแต่ตามตา ม, ตามที่คำสั่งหมอให้มาบอกก็นี้บอกได้แต่ถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องไปคอยเตือนคอยบอกท่านตลอดเราเป็นคนรับใช้แล้วเราจะไม่เครียดก็ดูแนละท่านไปตามตามความเท่าที่เราจะดูแลได้ าท่านไม่เชื่อท่านต้องการที่จะทําอะไรตามใจให้ก็เปเรื่องของท่านไปัทนที่จะต้องตายอยู่ดีให้คิดอย่างนี้อย่างน้อยแต่ขณะที่ยังไม่ตายนี่ขอให้อยู่อย่างมีความสุขกันดีกว่ า, อ ย, าอยู่ด้วยความเครียดทั้งเขาและเราเลยแม่ก็เครียดเราก็เครียดมีประโยชน์อะไรเพราะต่างฝ่ายอยากจะเอาชนะกันตัดไฟอยากจะทําต้องการที่จะเอาใจของตนเองเป็นใหญ่เรนต้องลดน้าใจของเราอย่าให้มันเป็นใหญ่ทําใจให้เราเป็นแจ๋ว เป็นคนลัใช้แล้วแม่ก็อาจจะสบายใจแล้วไม่มีใครมาคอยจู้จี้จุกจิกคอยว่าเราคอยบังคับเราไงมีแต่คนมาคอยดูแลคอยช่วยเรื่องแม่ก็มีความสุขแต่มันจะตายเลวกน่อยก็ยังดีกว่าอยู่นานแล้องทุกข์เนี่ยนะเข้าใจด้วยแบบนี้ครับผู้หมอาจารย์ครับวันนี้มีคนเป็นเพื่อนชมอยู่ในเฟ c e b o o k ้าร้อยเก้าสิบสามคน ในย t u b e 669คนในครับเ o าส e 16คนวันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังทําด้วยกัน 1,278 คนนะครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมร่วมฟังหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยน่านำมาไปใช้ให้เจริญก้าวหน้าในะาการปฏิบัติต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านตงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณา เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเธอสาธุขอราคุณหรอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เป็นเพลงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในวันอาทิต์หน้าเช่นเดียวรันขอเจริญพรกรับขอบคุณพระอาจารย์ครับ